ประเด็นอะไรบ้าง <laughs> ต้องพัสตุไม่ใช่เหรอเห็นค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นไงได้พัสูดรเดีย ว, เ, ยวเอาไหวหรือยัง ขอเป็นข่าวหน้า <laughs> ได้ได้ขอข่าวหน้าเจ้าค่ะโอเคโอเค สมาธิอนาปานสติที่มีอนิสงส์สูงกว่าศีลและศีลก็สูงกว่าทานถ้าถ้าเราจะมองในในยะของอนาปานสติที่มีอนิสงส์ก็ได้ได้เพราะว่าเป็นการเป็นการให้ทานเหมือนอารมณ์ละละอารมณ์ไปสละออกไปจ่าคะสละออกนะคือมุมของจ่าคะหรือมุมของทานมีได้หลายมุม ในเรื่องของการให้หรือสละวัตถุข้าของหรือการรักษาศินเนี่ยพระสาัาสดาก็บอกเป็นมหาทานชั้นเลิศตัวสินห้าเนี่ยเป็นอภัยทานอเวลาทานอภัยประชาทา น, นเป็นทานการให้อภัยการไม่ผลูกเวรการไม่ปลูกพยาบาทาะ ก, การมาเจริญภาวน า, น, า น, นี้ก็เป็นทานเป็นจาคะเหมือนกัน นะเป็นการละอารมณ์ไม่เอาสละออกนะจนกระทั่งสละออกซึ่งขันทั้ง5้าเนี่ยนะนี่เป็นมุมของจาระค่าที่เป็นไปเพื่อวีมุตนะ <c oughs> นนแสดงว่าเรื่องของจาระค่าในเรื่องวัตถุเข้าของเนี่ยมันจะเป็นแค่ลูกประทาสอย่างเดียวมันจะมีนมามธรรมอีก3ามอย่างนะแล้วก็วิญญาณคือจิตอีกหนึ่งตัวที่จะต้องมีจาระค่ากับสิ่งเหล่านี้ด้วย ก็คือสละออกสละออกไปอย่างนี้ถอนอุปทานความชิดมั่นถือมั่นออกนะแล้วก็จะมีอ น, นิสง์มากกว่าด้วยนะมีอ น, นิสง์มากกว่าการสละแค่ลูกด้านลูปรนะทาเพราะการสละออกซึ่งนามาทำเนี่ยเป็นเหตุให้การเกิดใหม่เนี่ยไม่มนะีตรงนี้จึงเป็นเรื่องของอ น, นิสง์ใหญ่ผลใหญ่การอ น, นิสง์ใหญ่เนี่ยผลเนี่ยพรเจ้าจะ ถ้าดูตัวอย่างที่จัดกับภาษาลิบุตรเนี่ยจะเป็นการส่งในเรื่องของอาทางโลกเนี่ยได้ไปเป็นเทวดาในชั้นต่างๆยไล่ไปเรื่อยๆส่วนอนิสงส์ใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของโลกุตละว่าไม่ต้องกลับมาสู่สังสารวัน์นี้อีกอย่างนี้นะเป็นเรื่องของอนิสงส์งใหญ่ก็จะเห็นว่าการจเจริญอาณาปานสตินั้นพระองค์พูดว่า ถ้าเราจเจริญอาณาปานสติเนี่ยย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่คือได้ทั้งสองซึ่งทีแรกถ้าเราไม่เคยเจอที่พระองค์แยกตรงนี้ไว้น่ะก็จะมองเหมือนว่าพระเจ้าพูดพูดไปแบบคําให้มันไพเลาะสลัดสลวยไปแค่นั้นว่าผลใหญ่อ น, นิสงส์ใหญ่นะแต่จริงๆทั้งสองอันมีความหมายหมดน่ ะ, ะแล้วก็แยกแยะได้บางอย่างมีผลใหญ่แต่ไม่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ น, นี่ก็เป็นความละเอียดในคำของพระศาสดาเวลาเราอ่านหนังสือภพภูมิแล้วเนี่ยมต้องอ่านหลายๆทเที่ยวยมถึงจะจับแบบฟอร์มคำพูดของพระศาสดาได้แล้วก็รู้ว่าผู้เจ้าเนี่ยดึงอะไรออกใส่อะไรเข้าไปใหม่ดึงอะไรออกใส่อะไรเข้าไปใหม่นะ โยมก็ส่งคลิปชวนน้องท่องพุทธาจะนะมาตอนนี้ก็เอาเป็นสปาดตวิทยุนะโฆษณาอยูนะ่จะให้โยมได้ฟัง สปอตโฆษณาวิทยุกลุมการชวนน้องท่องพุทธวันะนะที่นักเรียนในสังกัดสพทั่วประเทศจะสาธยายพุทธวันะนะในระดับป .1 ถึงป .6 นะ เแทนคุณพ่อแม่พุทธวจนะอะไรอ่ะก็คำสอนจากพระโอษฐพระพุทธเจ้าไงมลูลนิธิพุทธโคตรร่วมกับสพอาาชวนน้องท่องพุทธวจนะระดับประฐมศึกษาชิงเรื่องวันท่องแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียพร้อมถ้วยเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรีรับสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายนดูรายละเอียดเพิ่มเติมตที่ w w w น้องท่องพุทธวจนะ .com <c oughs> น่ารักดีก็ปลุกฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะโอ้ไอเรื่องที่ต้องวิเคราะห์เนี่ยมันมาตอนนี้ไม่ได้หรอกมันต้องนั่งอ่านคนอยังวิเคราะห์ไม่ได้เอาอุตตรกุตวีบมานะอืมก็พระช้ามีเรื่องสิทธะนะ ก็ชื่อสิทธะนี่ก็เป็นสาวานะกภาษิรรมที่แต่งขึ้นใหม่นะเท่าที่ตรวจอยู่ตอนนีนะ้อย่างที่ก็จะให้พวกเราดูในที่อย่างโปรแกรมตัวนี้จะตัวอ e ีทวิติกะเนี่ยนะอันนี้เราจะบรรจุ พระธรบิดาฉบับสยามรัฐ45เล่มนะทั้งบาลีและภาษาไทยนะอยู่ในนีนะ้ถ้าเรากดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเนื้อหาในพระธรรบิดกให้ซึ่งเราสามารถเทียบเทียงเป็นภาษาบาลีได้นะเรากดเทียบเทียงตรงนี้ก็เล่มข้อหน้านะทั้งบาลีไทยก็จะขึ้นมานะ อย่างเี้ยสิท ธ, ธัตถะภาษาไทยบาลีมีสิท ธ, ธัตถะนะแต่ปรากฏว่าสิทธัตถะที่พูดตรงนี้นะนเทราประธานนะแล้วดูตอนท้ายนะท่านพระคัตะสันสัญญกะเทละได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีนะ ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคำชื่อคําว่าสิท ธ, ธัตถะจะอยู่ในสาวกภาสิทธ์นะ จ, จะไม่ตอนนี้จะยังไม่เจอในพุทธศาสนานะในบาลีก็เป็นบาลีของสาวกภาสิทธิ์อีกเหมือนกันนะเวลาเรียนบาลีแต่งบาลีได้ก็แต่งบาลีกันเองไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยนะคนที่ไม่เข้าใจก็จะไปคิดว่าถ้ามี ภาษาบาลีแล้วคือใช่พุทธวษนะแต่จริงๆแล้วก็เป็นบาลีอัธกถานะ เ, เราสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้นะในการสืบคน้นว่าถ้าเราคีย์คำอะไรเข้าไปในช่องตรงนี้เนี่ยแล้วก็กดสแกนหานะอันก็จะออกข้อมูลมาให้ อันนี้ก็คือข้อมูลของคำว่าสิทธะที่เร า, าหาไปแล้วในบาลีนะแล้วก็ออกมาจะมีอยู่หกสิบแปดหน้าจากสองเล่มเล่มที่ส2มสิบสองกับสามสิบสามนะนสมมติเราจะดึงข้อมูลมาสักอันหนึ่งล้วก็ดึงขึ้นมาว่าตรงไหนอันนี้ก็ถวายดอกมะลิอันนี้สมการถวายดอกมะลินะ อันนี้ก็เป็นท่านพระประทะปูชกะเถระได้กล่าวคาถานี้แล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่มีแ a r คำของตถาคต น, นี่คือลักษณะของสาวกภาสิทธิ์ที่ชี้ให้พวกเราได้เห็นนะอันนี้โยมโยมสุภัตตาเข้าไปสืบค้นเจอก็เลยเอามาแจ้งให้ทราบ แล้วก็เลยเช็คด้วยตนเองซ้ําอีกทีหรือย่อมจะไปเช็คด้วยตนเองซ้ําอีกทีก็ได้นะช่วยกันเช็คแล้วก็เช็คทั้งในบาหลีเช็คทั้งในภาษาไทยในบาลีตอนนี้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปนั่งดูทุกอันแต่ดูแค่คร่าวๆคือเช็คในภาษาไทยก่อนมันออกมาเล่มที่32กับ 3.3 ประมาณ60กว่าหน้าก็เราก็เลยเช็คกลับไปบาหลีคีย์คำว่าสิท ธ, ธิ์ต่าก็ออกมาอีก ออกมาเป็นเล่มที่ส2มิบสองกับส3ิบสาเหมือนกันนะแล้วก็ประมาณ6กสิกว่าหน้าใกล้ใกล้เคียงกันนะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอันเดียวกันนะนีอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาเราเจอคำอะไรแล้วก็บันทึก เก็บไว้ในรายการบันทึกได้นะว่าเราสืบค้นอะไรแล้วเนี่ยอย่างสิขาบทสองอย่างเนี้ยนะก็ถูกแต่งขึ้นใหม่ซึ่งอ่าสินของพระจะมีมากกว่า2400ข้อที่ต้องรักษาทั้งหมดนะแต่ไม่ต้องนำมาสวดทั้ง2000ักว่าข้อก็เอามาสวดแค่150ข้อจะมีสินสามกลุ่มคือสัมพันนัศีลาสัมปันนปฏิโมขาปฏิโมขาสังวรสังวุตาในกลุ่มที่สอง กลุ่มที่สาก็เรียกอาจารยโคจ ร, สรัสสัมปนาพระฉันปกติฉันก็เทียมไม่ได้ผู้เจ้าห้ามฉันกระเทียมฉันได้เพราะเหตุอาพาธในายามปกตินี่จะห้ามฉันพระกะปินะไม่ไปลงอุโบสถเนี่ยเป็นพระละหาันแค่คิดแค่นั้นเองว่าจะไม่ไปลงโบสถผู้เจ้ามาปรากฏ ต, ต่อหน้าแล้วก็สั่งพระละหนให้ไปลงอุโบสถนั่นนี่เป็นตัวอย่างว่าพระละหันเนี่ยคิดผิดนะ พูดผิดทำผิดมีครบเลยในครังพุตธการเพราะความไม่ใช่สัพพัญยูผู้เจ้าผู้เดียวที่เป็นสัพพัญยูในภาวะทางโลกเนี่ยผู้เจ้าจะเก่งที่สุดรอบคือความรู้นี่ครอบคลุมทุกเรื่องแต่พระหลานไม่ไม่ได้รู้ครอบคลุมทุกเรื่องแต่ผู้เจ้ากับพระหลานเนี่ยจะเสมอกันที่วิมุตนะนั้นให้เราเข้าใจเหมือนกับปริพาโชกเข้าใจผู้เจ้าผิดคิดว่า จะเป็นแบบที่พวกผลิพาโชคทั้งหลายเขาอวด อ, อ้างคุยกันคือเขาจะอวด อ, อ้างคุยกันว่าเขาเป็นสัพพทัสสาวีก็คือรู้โลกทั้งปวงทั้งหมดพร้อมๆกันทีเดียวแต่พู้เจ้าบอกว่าความเป็นสัพพัญญูของพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือพระองค์เนี่ยสามารถที่จะรู้เมื่อน้อมจิตไปรู้และรู้ได้อย่างไม่มีประมาณรู้ทุกเรื่องถ้าจิตน้อมจะไปรู้เรื่องอะไรถึงจะไปรู้ นั่นคือโดยปกติผู้เจ้าจะอยู่ในสุญญตาวิหารธรรมคือทำเครื่องอยู่สงบในแบบต่างๆนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าจิตผู้เจ้าฟุ้งซ่านรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยไม่ใช่แต่รู้เมื่อจะน้อมจิตไปรู้แล้วก็จะรู้ได้อย่างไม่มีประมาณด้วยนะนั่นคือคำว่าสัพพัญยูของพระศาสดากลงอธิบายไว้หมดนะที่เกี่ยวกับเรื่องวินยัยนะเหตุในการจําพรรษา น้ำตั่วเขียวน้ำต้มเนื้อเนี่ยฉันได้นะเมื่ออ า, าพาธการลิกละคนกันเป็นยังไงเงินทองห้ามรับเนี่ยมาจากสิขาบทไหนพระนันทะหมชีวรเท่าพระสุคตนะถูกสั่งห้ามแล้วก็ปรับอาบัติภิกษุทุกรูปที่หมชีวรเท่าสุคตจีวร น, นางมาบทเป็นราชานไม่ได้มีการฝ่าคำว่านาคอะไรนะอันนั้นเรามาแต่งกันเอง นิพพานเป็นอนัตตานี่ก็เป็นอัตถ า, นาในพุทธวจนะไม่มีพรางเราก็ใช้กันเยอะแยะอะไรมาใช้กั น, นอย่างน้องหญิงนี่เป็นคําเรียกที่ถ้าเป็นคนรักกันแล้วพอมาบวชแล้วเรียกน้องหญิงนี่ก็เหมือนกับห่างกันเลยแบบตัดขาดกันเลยแต่ถ้าภาษาปัจจุบันเรียกน้องหญิงก็ดู <c oughs> ดอยังไงแต่ในยุคนั้นพอเรียกน้องหญิงนี่ ผู้หญิงสลบเลยนะอะโอ้โหตัดขาดกันขนาดนี้เลยเหร อ, นะอน้ำหญิงก็คือเป็นคำเรียกที่ไม่ได้ทําความพอใจในคู่รักนะการบัญญัติเพิ่มนะตัวอย่างของอาบัตต่างๆที่มีการบัญญัติเพิ่มแล้วตั้งอาบัติกันเองจะมีเยอะแยะเลยที่อยู่ในพรนะธปิฎก บาทเนี่ยจะใช้การเผาเพราะแต่ก่อนจะมีพระที่ทำบาทแล้วก็เผาเยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งมีคนมาโจทย์ว่าจะตั้งร้านขายเครื่องดินเผาหรือไงนะถึงทำได้เยอะขนาดนี้นั่นแสดงถึงการที่าบาทเนี่ยจะต้องเอามาระบมด้วยไฟ ดังนั้นบาด ท, ที่เงาวาวเป็นสเตนเลสหรือเป็นเหล็กที่เงาวาวเนี่ยจะต้องเอามาระบมด้วยความร้อนจนมันเป็นสีดำอย่างนี้นะบาดนี้พระเจ้าอนุญาตสองอย่างคือบาทเหล็กกับบาทดินนะศาสนาอยู่ได้นานนะเพราะบัญญัติสีขาบทและแสดงซึ่งปฏิโมกตแต่มีเหตุอื่นอีกไหมมีนะเหตุอื่นก็คือ <c oughs> จเจริญสติปัฏฐานสี่อีกอันหนึ่งคือ เป็นผู้ฉลาดในอายยตนะฉลาดในปฏิจจสุวรรษอีกเหตหนึ่งก็คือต้องมีธรรมสประการบทพญชนาต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกพิสษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความภบหนักแน่นก็อันที่3เนี่ยพิสษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธพิชชเนี่ยต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนนะอันที่4ก็คือพิสูุที่เป็นเถระบวชนานจะต้องไม่เป็นผู้นําในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องต้องปาราบความเพียน รูมันนี้ก็จะเป็นสี่เหตุปัจจัยนะเนี่ยเวลาเราสืบค้นอะไรเจอเราก็จะใส่เอาไว้นะในนี้นข้อมูลนี้ทุกคนมีได้เหมือนกันหมดมีได้เท่ากันหมดใครมีแท็บเล็ตมือถือที่ใช้ระบบของ Apple หรือว่าแอนดรอยนีย่ก็สามารถโหลดข้อมูลนี้ได้นะ ใช้ Wi-Fi ที่นี่ได้เลยโหลดเข้ามือถือแท็บเล็ตของตัวเองนะไม่ถึงนาทีก็จะได้ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลก2000กว่าปีนี้นะทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะแล้วก็มีโปรแกรมในการสแกนชเช่นว่าเราต้องการสืบค้นว่าผู้เจ้าสอนอานณาปณาสติไหม เห็นอาจารย์คลิกลิ์พูดเรื่องอานาปานสติโยมก็เข้าไปคีย์คำว่าอานาปาอานาปาเข้าไปแล้วก็กดค้นหาตรงนี้นะมันก็จะสแกนให้ลนะนะก็รอสักพักหนึ่งนะสองสามวินาทีถ้าใช้คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆก็วินาทีเดียวก็ขึ้นมาละอาณาปานสติมีอยู่ในเล่มที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่นะ เราไปหยิบหนังสือเล่มข้อนั้นมาเปิดก็ตรงเป๊ะนะก็คือเราไม่ต้องนั่งเปิดทีละหน้านะให้คอมพิวเตอร์มันหาให้เพียงแต่เราเปลี่ยนคีย์เวิร์ดไปเรื่อยๆอย่างเช่นเราดึงมาดูสักอันหนึ่งนะนะเล่มที่14นะอันนี้เป็นหัวข้อไม่เอาตัดทิ้งไปนะแล้วก็ไปเช็คใหม่นะแล้วก็ลองมาเช็คเล่มที่สนะิบสามอ่ะ เป็นตัวเนื้อเรื่องดูกรราหุล น, นี่คือลักษณะคำพระศัสดาต้องมอีการพูดชื่ออย่างนี้นะดูกรจอมเทพดูกรมโมคลานะดูกรข้าบาดีแก็แสดงว่าเป็นคำพระสาสดาดูกรราหุลท่านจงเจริญอาณาปานาสติเถิดด้วยว่าอาาปานาสตินั้นอันบุคคลเจริญให้มากย่อมมีผลมากมีนิสงมากมากหรือใหญ่ก็เหมือนกันบางสำนวนก็ใช้คาว่า ผลใหญ่บางสำนวนก็ผลมากน ะ, นะคำบาลีอันเดียวกันท่นี้เราดูว่าเอ๊ะภาษาไทยมีแล้วภาษาบาลีมีไหมเราก็กดเทียบเคียงตัวนี้กดไปที่ตัวนี้นะปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าจะสลับภาษาหรือจะเทียบเคียงคือถ้าสลับภาษามันจะสลับภาษาให้เฉยๆแต่ถ้าเทียบเคียงปุ๊บหัว ข, ข้อจะขึ้นมาตรงกันเป๊ะพอดีเราจะได้ไม่ต้องเลื่อนหน้านจะดูง่ายขึ้นเราก็ใช้กดเทียบเคียง เทีเพียงปุ๊บก็จะขึ้นข้อมาว่าจะเทียบเพียงข้อที่เท่าไหร่ <c oughs> สมมติเราเทียบเพียงข้อที่133แล้วก็กดร3 3าปุ๊บหัวข้อมันจะขึ้นมาตรงกันในหน้าแรกเลยนะแล้วเราก็เช็คไปข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เนี่ยก็เอวัมเมสุตังเอกัางสามายังเราก็จะเรียนรู้บาลีไปด้วยในตัวว่าเขาพูดอย่างนี้แปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ ดังนั้นเวลาสาวกเขาพูดหรือว่าตอบปัญหากันเนี่ยเขาจะไม่พูดคําตัวเองเขาจะพูดว่าข้าพเจ้าได้สดับคือได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ทุกคนจะพูดแต่คตําตถาคตน ะ, นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนะ เกตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคลองอันตราวาศกแล้วถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปในบิดาบาดในเมืองนะครสาวัตถีเวลาเช้านะแม้ท่านพระลาหุนก็ครองอันตราวาศกก็คือสบงนะ <c oughs> พระผู้มีพระภาคทรงปินพระภาคไปรับสั่งกับท่านพระลาหุนว่าดูก่อนราหุนนี่คือเริ่ม เริ่มวลีของผู้เจ้าดังนั้นตัวที่พูดก่อนมาเนี่ยคือคําของสาวกอีกเหมือนกันที่พูดเกิืนนำน ะ, อะบอกบรรยากาศในเหตุการณ์ในคราวนั้นแล้วถึงจะเริ่มก๊ อ, อปปี้คำผู้เจ้ามาว่าดูก่อนลาหุนนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันนะเป็นภายในภายนอกอากก็ดีละเอียดก็ดีอย่างนี้นะดันั้นเวลาทําหนังสือพุทธวจนะเนี่ย ในตัวที่ก่อนตรงเนี้ยเป็นคำสาวกเราก็จะย่อเล็กลงแต่คำสาวกประเภทแต่งเองทั้งหมดยกมาทั้งก้อนเนี่ยเร า, เอาออกไปอยู่แล้วแต่จะมีคำกลิ่นติดมาบ้างตรงนี้ในตัวคำกลิ่นเราก็จะย่อให้เล็กลงเพื่อทราบบริบทแวดล้อมว่าอยู่เมืองไหนอะไรทำอะไรนะเวลาใดแล้วก็จะเริ่มเป็นตัวใหญ่ตัวตรงนะที่เป็นคำพระศาสดา เวลาจะเชื่อมโยงคำพูดเนี่ยจะเชื่อมโยงเฉพาะคำพระสัสดาเท่านั้นอย่างนี้นะนี่ก็ให้เป็นที่สังเกตนะขอโอกาสครับอาจารย์เชิ่นนักสู้ที่บรรยายน่าถามน้ำปลาไหมจ่ะน้ำปลาทำไมฉ่ำได้ใช่ไหมน้ำปลาที่เห็นมีน้ำต้มเนื้อต้องน้ำต้มเนื้ อ, ต, อ, ต, อ, อต้องอาภาอาภาใช่ น้ำปลาหมายถึงน้ำน้ำปลาเค็มๆอย่างเนี้หรอถวายได้ไหมละ่ะคำถา ม, ถามคืออลไรจะเพราะว่าหมักกับปลาที่ฮหามักกับปลาใช่ไหมฮะจะเข้าขายย่ายเหมือนกับน้ำต้มเนื้อเข้าข่ายเหมือนน้ำต้มเนื้อไห <c oughs> ม น, น่าจะคล้ายๆกันน่าจะเข้าข่ายเหมือนน้ำต้มเนื้อโดยปกติปลากับเนื้อเนี่ยผู้เจ้าจะจัดเป็นเป็นอาหาร จะฉันในการถ้าฉันของพวกนี้แล้วเนี่ยลุกขึ้นแล้วจะฉันอีกไม่ได้แล้วก็จะมีของฉันได้อีกสามอย่างก็คื อ, อตัวน้ำปานะคือน้ำที่คั้นจากผลไม้ทุกชนิดแล้วก็ส่วนของสตากาลิคือยาที่ถวายได้เก็บไว้ได้เจวันจะมีหอย่างคือเน ย, สยใสเนย้นน้ำมันน้ำพึ้งน้ำอ้อยพระก็จะฉันอาหารพวกนี้นะ ชั้นของกลิ่นล่วงลําคอพวกนี้ได้ตลอดเวลานะแล้วเก็บไว้ได้เจวันอันนี้แต่เหมาะสําหรับภิกษุผู้อาพาธของกลิ่นล่วงลําคออีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่ายาววชีวิอันนี้คือส่วนของต้นไม้ทั้งหมดอันนี้เก็บได้ตลอดชีวิตจะมีสิกขาบทของพระเจ้าบอกว่าอันหนึง่งภิกษุใดเนี่ยกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ําและไม้ชาระฟันเป็นปาจิตตีดังนั้นอาหารเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่จะต้องได้รับการให้ก่อนไม่งั้นเออพระทานคืนล่วงลําคอเข้าไปก็จะต้องอบัตบปาจิตตียกเว้นแต่น้ําน้ําในอ้วยหนองคองบึงอย่างเนี้ยหรือหรือไม้ชาระฟันไม้สีฟันนะเพราะมันอาจจะหลุดลงคอไปได้อันนี้ไม่ต้องเอ่อได้รับการให้ก็ ทานได้อย่างเราไปตามป่าเขาเจอน้าในแม่น้ำน้ำตกอย่างนี้เราไม่ต้องรอคารวาสหรือญาติโยมมาถวายเราสามารถตักฉันได้เลยแต่ก่อนจะฉันผู้เจ้าก็ให้กรองด้วยผ้ากรองก่อนดังนั้นพระเวลาเดินทางต้องมีผ้ากรองน้ำแต่ถ้าไม่มีผ้ากรองน้ำให้ใช้ชายผ้าสังกติเป็นผ้ากรองน้ำ คำผู้เจ้าจะละเอียดหมดนะสิ่งเหล่า น, นี้ก็อยู่ที่ตัวพระต้องเข้าไปศึกษาซึ่งวินัยพวกนี้นี่ก็คืออยู่ในพันพันข้อทั้งนั้นอยู่ในอาจารยโคจรสัมปนานพระต้องรักษามหมดดังนั้นจะบอกพระมีศินสองยี่สิบเจ็นี่ไม่มีมีมากกว่านั้นเยอ ะ, ะไม่งั้นวินัยพวกนี้จะเอามาจากไหนซึ่งอยู่ในพุธทธวัจนะสถานครับขอขะต่อ อยากผลไม้ที่หล่นตามต้นไม้ถ้าพิดสุดอยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่สามารถจะหยิบขึ้นมาฉันได้ต้องมีคนมาถวายใช่ใช่ใช่ คือ ใ, ในในความเป็นสัพพัญยว่ะค่ะในทางโลก ม, มีเฉพาะตะถาคตคือพระพุทธเจ้าเท่านั้ น, นแต่ถ้าพระอาหารหันต์ท่านบนรรลุแล้วคือเสมอกันที่วิมุตติแล้วถ้าหากเราได้ได้พบภิกษุอะค่ะคือภิกษุเองเนี่ยถ้าท่านยังไม่ได้เป็นผู้ คลงแค่วในหลักพุท ธ, ธวจนะ mm hmm. คือแม้แต่ในพระไตรปิฎกเองก็ยังมีทั้งส่วนผิดและส่วนถูกค่ะเจ้าค่ะถ้าเราได้พบภิกษุลักษณะอย่างนี้ค่ะเราควรจะจะแนะนำท่านอย่างไรหรือว่าจะทำยังไงดีคะก็ะไม่เป็นไม่ใช่เป็นการง่ายเลยค่ะที่ที่จะจะไปไปบอกกับท่านนะคะก็เราก็ แ, แนะนำ ในปัจจุบันสื่อธรรมะที่เป็นคําตถาคตก็ที่เราทํามาเนี่ยทั้งหนังสือและซีดีก็คือแนะนําท่านให้ได้มีโอกาสสดับในคําของตถาคตก็แค่นั้นส่วนท่านจะฟังไม่ฟังศึกษาไม่ศึกษานั้นเรื่องของท่านนะเห็นไหมผู้เจ้าบอกว่าภิกษุบวชเข้ามาแล้วเนี่ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามแต่ให้เธอตั้งจิตว่าเธอจักศึกษานะอ่า ก็ด้วยเหตุที่เราฟังแต่สาวกรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าศาสดาเราเนี่ยบอกอะไรสอนอะไรนี่มันก็เป็นเป็นเหตุขวางเหมือนกันนะาะตัวสาวกที่บอกต่อๆกันมาก็ดันไปบอกว่าคำผู้เจ้าเนี่ยอย่าไปอ่านอย่าไปฟังนะกลายเป็นอย่างนั้นนะเราจะถูกสอนว่าพระไตรปิฎกนี่อย่าไปอ่านสูงเกินไกลเกินนะเป็นนักทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้คือเรามอง นักปฏิบัติอย่างพระศัสดาพูดออกมาเป็นทฤษฎีไปหมดซะแล้วน ะ, ะกลายเป็นดูถูกผู้เจ้าตัวเองทั้งที่สาวกคุณปฏิบัติเก่งกว่าผู้เจ้าขนาดไหนกันใช่ไหมพูดมาแล้วกลับไปสนใจฟังมากกว่าคําพูดที่ออกจากปากพระศัสดาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแนวคิดเนี่ยกับตัวพระใหม่นะนั้นก็มีพระกลุ่มหนึ่งที่มีแนวคิดอย่างนี้เพราะถูกสอนมาอย่างนี้นานพอสมควร จะมีพระกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาพระตริฎกแต่ก็ไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะไปศึกษาคำที่แต่งขึ้นใหม่ที่อยู่ในพระตวปิฎกเนี่ยมันติดหลายชั้นในในพระกลุ่มที่บอกว่าเป็นสายปฏิบัติเราก็จะนั่งอ่านแต่คาอาจารย์ตัวเองแต่เราจะไม่ไม่สนใจมาอ่านพุทธวจนะที่อยู่ในพระตวปิฎกส่วนพระในกลุ่มที่บอกว่าเป็น ที่เราเรียกกันวัดบ้านหรือพระปริยัติ น, นี่ก็ศึกษาพระธริดกแต่ศึกษาในเนื้อหาแต่งใหม่ไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะอีกสรุปแล้วคำพระศาสดาของเราถูกทอดทิ้งจากพระทั้งสองกลุ่มอย่างนี้ก็เลยทำให้พระเนี่ยไม่รอบรู้คำของตถาคตนักธรรมตรีโทเอกประเรียน1ถึงเเนี่ยเรียนพุทธวจนะน้อยมากนะ น้อยมากส่วนใหญ่จะไปเรียนคำแต่งใหม่เกือบทั้งนั้นเลยเขาก็เลยคล้องคำแต่งใหม่แต่ไม่ได้คล้องคำของตถาคตนะก็เลยทำให้เราเนี่ยห่างจากพู้เจ้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือยนะนะก็เป็นเหตุที่พระเจ้าบอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตนะไม่สนใจด้วยความรู้สึกหลายๆแบบนะ มองเป็นทฤษฎีบ้างมองว่าพระเจ้าสูงเกินไกลเกินคำคงจะยากคงจะแบบว่าอ่านแล้วคงไม่รู้เรื่องล้วนแต่จินตนาการเองทั้งนั้นปรุงแต่งเองเดาไปเองนะซึ่งพระศาสดาบอกว่าเธอต้องฟังคำตถาคตอย่างนี้นี่เราก็พยายามค่อยๆแก้เหตุปัจจัยตรงนี้ด้วยการทำหนังสือที่เป็นพุทธุชนะมาแล้วก็ก็ขยายไปเรื่อยๆนั่นแหละ ใครสร้างบา ร, รมีมากับพู้เจ้าก็คงจะฟังแล้วผมเข้าใจเองน ะ, ะมีประเด็นอื่นไหม เป็นผ้าจานนะครับคื อ, คอผมว่านเนื่องจากว่าทางพุท ธ, ธวจนะอาจจะไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรนะครับการที่<อ>พระสงฆ์ต่างๆหรือวัดบ้านเนี่ยไม่ได้ศึกษาพุท ธ, ธวัจนะเพราะว่าพระเหล่านั้นไม่ทราบว่ามีพุท ธ, ธวจนะเป็นไปได้มั้ยครับมีมีทั้งกลุ่มทราบและกลุ่มไม่ทราบไม่ทราบก็เยอะทราบก็เยอะไอ้ที่ทราบเนี่ยก็มีทั้งแบบว่า อยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่ไม่กล้าเพราะหมู่คณะนะไม่มีใครทำรอย่างนี้และที่ไม่ไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วจะไปกระทบต่อหมู่คณะด้วยกันเองเพราะว่าถ้าเดินตามคำพระศาสด า, า, าแล้วเนี่ยมันต้องแก้หลายอย่างไม่มีกำลังที่จะไปแก้เช่นการขบฉันจากสองมือต้องเหลือมือเดียวเคยรับเงินทองต้องไม่รับมันต้องใช้ กำลังเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าทางพุทธวจนะเนี่ยทางพุทธโคดมูลิตีพุทธโคดเนี่ยก็พยายามที่จะให้เด็กรุ่นใหม่นี่นะที่ว่ามีคนน้องต้องมีพุทธวจนะนี่นะครับให้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อปปฐมหนึ่งถึงปฐมหกเลยนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากทางสพทเนี่นะครับซึ่งเข้ามาถูกทางแล้วนะครับทีนี้ว่าถ้าในแง่ของทางศาสนาเนี่ยนะครับ เข้าใจว่าทางพระผู้ใหญ่ห huh> รือว่าทางกรมการศาสนาเนี่ยนะครับเขาอาจจะแบบแบบเดิมๆอยู่นะฮะส่วนหนึ่งอาจจะอย่างที่พระอาจารย์บอกคือเขาอาจจะไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งคือเห็นด้วยแต่ไม่กล้านะครับก็ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคสําคัญเลยทีเดียวที่นี้ว่าท่านพระอาจารย์บอกว่าเขาไปเรียนรู้จากแบบเดิมๆด้วยแบบนี้คือผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทราบ เยอะที่ไม่ทราบเนี่ยเยอะครับที่นี้ทำยังไงเราจะให้เขาทราบตรกนี้นะครับเพื่อจะได้เราก็เลยผลิตตาราให้เยอะขอบครับใช่ตอนนี้ที่ทําอยู่เนี่ยที่แจกหนังสือกันอยู่ตลอดเนี่ยเราก็แจกในหมู่พระหมู่อะไรงบพิมพ์หนังสือเราเดือนเป็นล้านๆเราพิมพ์แจกตลอดเวลาเลยทุ่มตลาดเข้าไปมีตําราเราให้มากไปแต่ที่ไหนเจอแต่พุทธวจนะปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ต้องหยิบหนังสือเรามาอ่านจนได้ใช่ไหมปูพรมให้มากปูไป อัน่มาไปสังเกตหนังสือมนพิธีที่ข้อมูลผิดเยอะมันทำไมมันเต็มประเทศไปหมดเลยไม่แพงหนังสือไหนก็มีหมดเลยแต่หนังสือที่ถูกต้องมันไม่มีก็เลยต้องทําหนังสือที่ถูกต้องให้มากครับก็ผมเห็นด้วยในส่วนหนึ่งที่ว่าเราใช้ทางด้านเทคโนโลยีพวกอ uh ินเทอร์เน็ตพวกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าหลายคนคืออาจจะไม่สะดวกไปที่วัดนะครับแต่ด้วยอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยน่าจะประสบความสําเร็จได้ รวดเร็วขึ้นใช่ ใ, ชใชอันนี้แหละที่ที่เราทําทุกช่องทางเลยเยอทางอินเทอร์เนต็ตทางไรต์อะไรเราทําหมดก็คือเช่นอย่างเราทำแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะแอปพลิเคชันตัวพุทธวจนะนะเมื่อกี้ตัว e จะเป็นก้าตัวนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็คือตัวพุทธวจนะซึ่งถ้ากดไปเนี่ยนะอันนี้จะเมนูแรกจะเป็นการถ่ายทอดออสด ในทุกๆเช้าอย่างนี้นี่ก็จะเห็นเห็นโยมนั่งอยู่อย่างนี้นี่ก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกตลอดเวลานะคนชมก็ประมาณ 300-400 สถานที่ต่อครั้งนะ อ, อ, อีกเมนูหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็ทำให้เขาเข้าไปอ่านได้นั่งสือทุกเล่มที่เราทำเข้าไปในนี้ด้วยนะจนถึงเล่มสุดท้ายพบภูมินะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเราก็กเมนูหนึ่ง DVD ทั้งหมด ที่เป็นการบรรยายในที่ต่างๆส่วนราชะการบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆนะเราก็จะบรรจุอยู่ในนี้นะแล้วก็ MP3 นะนั้นเออเราก็พยายามทำข้อมูลเนี่ยเข้าไปให้ทุกรูปแบบเลยนะและยงมจะเห็นว่าตัวพระที่เปลี่ยนเนี่ยอย่างเช่นเออที่วัดของออพันเตอเอกพลนะ คือท่านนี้ท่านก็จบป ร, ริญญธรรมเหมือนกันจบปธ .4 เป็นพระธรรมทูตถูกส่งไปที่วัด ana, วดอลลนาวนาลามนะวัดที่น่าจะใหญ่ที่สุดในสวนะีเดนณวันนี้ท่านก็เปลี่ยนหมดระบบในวัดคือขอให้หัวเปลี่ยนพอเจ้าวาดเข้าใจเนี่ยทั้งวัดเปลี่ยนหมดเลยนะหรือว่าออของอุสุอลงชัยเนี่ยปนะวดมา19้าปีแล้วจะฆ่าตัวตาย ไปเจอตอมาใน YouTube เปลี่ยนใจนะเข้าใจแล้วมีที่พึ่งได้ก็เริ่มศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็มาบอกพันเตกับพลพันเตกับพลพอเริ่มเข้าใจปุ๊บเอ้ยงั้นเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาละของเก่าๆจเจริญพุทธมนต์ทาน้ำมนต์แจกของดีปลูกเศกก็เลิกหมดเลยแล้วท่านก็เริ่มใหม่ท่านได้บทมา20กว่าปีท่านพันเตกับคนะนี่เราก็ให้ดูหรือว่าเ <c oughs> จ้าวา วัดปากคาดเนี่ยนะอจาอาวาสวัดปากคาดที่บึงการนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดกันนะในภาพนี้ไม่มีของอวัดปากคาดนะอืแต่จะมีที่ลาวอันนี้ที่ลาวนะที่ลาวก็ส่งพระมานะส่งพระมาเรียนรู้พุทธวจนะที่นี่แล้วก็กลับไปเปลี่ยนที่วัดของท่านนะเนี่ยเราก็พยายามขยายอย่างนี้นะ อบรคคุณคัก็จะเห็นว่าบางบางท่านซึ่งก็เรียนป ร, ร่ยนธรรมมาเหมือนกันแต่บางท่านไม่เปลี่ยนบางท่านเปลี่ยนนะมันติดอะไรอย่างนี้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติที่ท่านไม่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นวัดของปริพพาชกเหล่าอื่นนะเดลทีหรือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเป็นเดรลสานวิชาห้ามทำนะแต่เราก็ไปรักษาไว้ก็เลยไม่รู้ว่าเราติดอะไรเราสร้างสมมติมาเองนะ หรือว่าไปติดสิ่งที่ผู้เจ้าห้ามแล้วก็พอจะเลิกก็เลิกไม่ได้ไม่กล้าเลิอกอย่างนี้อก็ต้องค่อยๆนะให้ความรู้กันไปนะนี่ว่าหลังจะไปเติมของอทางวัดปากคาบนะ อ, อันนี้ที่วัดป่าบ้านพันลำ น่ปันเต ส, สมบัติปันเตสมบัติก็เปลี่ยนทั้งวัดเหมือนกันที่บึงการ่ น, น, นก็นิมนต์นรธมาไปทำที่บึงการด้วย น, นี่ก็ญาติโยมของท่านก็ต้องปรับหมดจากเคยฉันเคยไรยที่ไม่ถูกต้องก็ปรับ ที่ปับค่าเหมือนกันท่านเป็นรองเจ้านอำเภอท่านก็ปรับมาทานมือเดียวนะจันในบาทแล้วก็งดรับเงินทองนะเนี่ยนี่ท่านก็ส่งภาพมาที่วัดท่านนะเราก็อยากได้ผู้นําอย่างเงี้ยที่เอ่อเคารพศรัทธาในพระศาสดานะนะนี่ก็ภาพยมแม่ทํามาที่ นอนเป็นก้อนเนื้อในสมองใหญ่ๆอันนี้ก็มือที่เป็นอวายวะทิงซี่ก็ขยับได้ละได้ได้นะแขนขานะี่ก็ไปเยี่ยมมาอย่างยิ้มย้มจำใส่ดีนะ <laughs> นนี้พูดคุยได้บ้างแต่ยังไม่ค่อยเป็นคำเท่าไหร่ยังควบคุมการพูดยากนะนะืม อย่งวิสาข า, านี้ก็เห็นว่าจะมีการารวมกันของผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนะอยู่ทั่วโลกเนี่ยที่จัดเป็นสถาบันแล้วก็จะมารวมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ทําเป็นรูปสัญลักษณ์ของอแผ่นที่โลกแล้วก็เป็นดอกบัวที่บานอยู่ทั่วแทนหมุดพิกัดหมุดที่เรา แต่ละท่านอย่าปักลงไปปักลงไปเปรียบเหมือนบัวที่ได้รับแสงอาทิตย์ก็แบ่งบานไปทั่วโลกก็ญาติโยมก็ช่วยกันอย่างเนี้ยเนาะอ่ากลไม้กลมือแล้วก็เป็นการช่วยกันที่เต็มใจ โดยที่อาตมาก็ไม่ได้ไปบอกไปสั่งอะไรครับเขาก็ช่วยกันเองนะทุกคนก็มีความเลื่อมใสในพระศาสนาในพระสัระสธรรมแต่บางทีไม่รู้ไม่ทราบในกลุ่มพระที่ไม่รู้เราก็พยายามให้ความรู้ท่านเรื่อยๆก็จะมีพระกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจแล้วก็คอยนิมนต์อาตมาไปบรรยายเวลาพระรวมกัน5 600 700้อยอย่างนี้ ที่สุรินตอนนั้นก็ไปบรรยายให้พระ700รอยรูปฟังที่บุรีลำก็อีก400รูปที่ท้าดาวเขาแก้ว400อนะอันนี้พระกลุ่มนี้ที่ไกลๆเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างโยม ว, ว่าไม่รู้พุทธศนะแค่คําว่าพุทธศนะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอ่าและนะสินของพระเวลาถามทุกคนก็บอกผมมีศินแค่สองร้อยิบเจ็งที่มีมากกว่า 2,400 ข้อยก้แต่จะว่าท่านไม่ได้เพราะเราไม่มีตําราเลยให้ท่าน น้นในสมัยรชัชกาลที่505ถึงสละเงินของตนเอง 2,000 พันช่างทําแจกไปทั่วประเทศทุกวันแล้วก็แจกไปทั่วโลก260แหว่งทั่วโลกเนี่ยเราก็เลยทาหนังสือให้มากให้มากอยู่ตลอดเวลาเพื่ะจะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงคำศาสดาตัวเอง อย่างให้เราดูหลักฐานถ้าเราจะไปเจอหลักฐานทางทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันจะตรงกันหมดที่ล่าสุดไปเจอในถ้ำอัฟก า, านิสถานก็คือในถ้ำที่นี่ที่ระเบิดมาแล้วเจอถ้ำแล้วก็เข้าไปดูปรากฏว่าเจอเศษซากใบลานอย่างนี้เยอะแยะไปหมดนะเศษซากใบลา น, นในเศษซากใบลานนี้นักโ บ, บราณคดี ก็ไปช่วยกันทําที่นอร์เวย์ต่อกันพยายามแยกชิ้นส่วนแล้วเอามาเรียงต่อกันนะจนเป็นแผ่นไบลานได้อย่างนี้นะก็จะเป็นแผ่นไบลานเนี่ยนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกก็เข้าไปช่วยกันแปลว่าอันนี้ที่เจอเนี่ยมันเขียนว่าอะไรนะก็ปรากฏว่าแปลามาเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกจนมาเป็นภาษาไทยเนี่ยนะเป็นเรื่องของการอสอนเรื่องอบายมุขหก ซึ่งตรงกันกันกบพระต บ, บิดกฉบับสยามรัฐที่เป็นพุทธวัฒนะของเราอ่านี่ไปเจอในถ้ำในอัฟก า, านิสถานดังนั้นที่พู้เจ้าบอกในครั้งพุทธกาลเนี่ยว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยกระจายไปทั่วโลกแล้วเนี่ยมันกระจายจริงๆและโยมดูเขาเก็บกันไว้อย่างแบบมิดชิตอย่างดีเลยจนต้องมีการระเบิดโดยบังเอิญแล้วเจอถ้ำออกมาอย่างเนี้ยอ่าก็ปกปักรักษาไวอ้อย่างดีมากนะ ผ่านมาอันนี้ความเก่าเนี่ยประมาณปีคศ .6 นะคริสตศักราชที่6เนี่ยประมาณนี้นะ <c oughs> เนี่ยแปลงมาเป็นอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโคลคะหกทางเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลยัยเป็นทางเสื่อมแห่งโคลคะการเที่ยวตามตอบซอกซอยเวลาวิการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันครบมิตรชั่ว ความเกียดคร้านนะถ้าเป็นพุทธวจนะแล้วคำจะตรงกันหมดทั่วโลกนะนี่นะลักษณะของคำาพระศาสดาเขาจะจำเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะเลยนะไม่ให้คลาดเคลื่อนแม้แต่บทพัเศะเดียว น, นิ่ฝรั่งเขาทำให้เรานะโดยอัตโนมัติเลย <laughs> หรือว่าโชคดีและของเราก็เจอเองในในประเทศไทยก็จะเจอในก้อนศิลานี่ก็พันกว่าปีเหมือนกัน ถูกแกะสลักเป็นอักษรปารวะภาษาบาลีนะไปเจอทิโรบุรีแกะสลักในเรื่องของปฏิจจสุบานเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายจุดเด่นของคําสอนพระศาสดาอยู่ที่ว่าเป็นคําสอนที่บอกขนทางเข้าถึงความไม่ตายนะอันนี้แหละซึ่งทุกคนเนี่ยเดินไปสู่ความตายหมดเอ๊ะแล้วไม่ตายจะทํำยังไงโอ้นี่เลยนะใครอยากที่จะไม่ตายปุ๊บเนี่ยคือเนื้อหาของอความรู้ที่เมื่อ ประพฤติ cake, ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเข้าถึงความไม่ตายก็เป็นบารมีของพู้เจ้าเหมือนกันที่ทำให้ผู้นำประเทศและกษัตริย์แต่ละยุคเนี่ยช่วยกันรักษาคำพูะเจ้าเอาไว้เป็นรุ่นๆุ่นถ่ายทอดมา <c oughs> นี่ก็เจอที่เพชบูรณ์นะอักษรปรารลวภาษาบาลีเหมือนกันเวทนานิโรธาตันหานิโรโทดับเวทนาได้ตันหาก็ดับ แกะเป็นภาษาออกมานะก้อนศิลาหลักฐานทุกที่ทั่วโลกถ้าเป็นพุทธวจนะแล้วจะตรงกันหมดมก็เลยให้ดูหลักฐานพวกนี้ถูกสืบทอดมาจนถึงราชการที่หนึ่งและรอหนึ่งก็ เรวบรวมพระสองร้อยกว่าลูกเนี่ยมาที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมาหาธาตุวุราลังสลิ ป, ปัจุบันแล้วก็ให้นั่งลอกใหม่ทั้งหมดเลยนะใช้เวลาลอกอยู่ห้าเดือนนะเพราะอายุธยาถูกเผาข้อมูลหมดนี่ก็เป็นพระไตรวิฎกใบลานอักษรขอรรมทาเมื่อปี2331นะนะในสมัยรชัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นต้นฉบับของตัว นี้คือฉบับสยามรัฐที่เราใช้อยู่หนังสือที่โยมถืออยู่ที่แจกทุกเล่มเนี่ยเป็นข้อมูลตัวนี้ข้อมูลจากฉบับสยามรัฐเมื่อปี2436ก็คือตัวเดียวกันกันกบข้อมูลในปี2331พอกอบกันมาแล้วแปรเปลี่ยนอาคกะจากอาคกะของมาเป็นอาคกะสยามแค่นั้นเองนแล้วก็รุ่งเลยมาถึงนะ ก็แต่บิดกในยุคปัจจุบันคือตัวนี้ของมหามกุฎมหาจุฬาน ะ, ะ, ะตอนนี้เราก็เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในแผ่นซีดีน ะ, อ, ะอันนี้ก็ <c oughs> เป็นคำถามจากผู้ชม จากทั่วโลกนะ8สถานที่นะนเราก็ใช้กระจายตรงนี้ไปฟังธรรมพร้พอมๆกันได้นะแล้วก็ส่งคำถามมาได้นั้นใครอยู่ที่ใดก็ตามในประเทศไทยหรือต่างประเทศโยมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้อย่างนี้น ะ, ะเข้าไปในเว็บไซต์ของวัดนาป่าพงเนี่ยนะหรือวัดนับวัดนาพีพีดก็คีย์คำถามเข้ามามีช่องให้กรอกคำถามนะ จากสงขาหาดใหญ่ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. เขาเป็นพระนวากะเพิ่งบวชใหม่ mm hmm. มีศรัทธาในพุทธศาสนา mm hmm. แต่เมื่อลงมือศึกษาแล้ว mm hmm. ทำให้กระผมชะนง ง, งงงวย mm hmm. เพราะมีหลายสาขาหลายสำนักหลายอาจารย์เสียเหลือเกิน mm hmm. หาเอายึดตำราใดาก็เกรง mm hmm. ว่าจะเสพเอามิจฉาทิฏฐิ mm hmm. ก็ได้แต่ไปศึกษาตามอัถภาพ แต่มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งแนะนําให้ฟังของท่านอาจารย์ละยศเอาคําของตถาคตซึ่งทําให้กระผมเห็นหนทางในการศึกษาที่ไว้วางใจได้กระผมได้อ่านและศึกษาสื่อที่ท่านอาจารย์ทําไว้แจกจ่ายแต่ด้วยเป็นพระใหม่ทําให้ยังไม่เข้าใจธรรมะอะไรที่ลึกซึ้งจึงอยากทราบว่ากระผมจะยึด ปฏิปทาในการศึกษาตามแบบท่านอาจารย์นั้นคือกระผมต้องเริ่มต้นศึกษาอย่างไรและท่านอาจารย์มีแนวทางในการศึกษาอย่างไรกระผมตั้งใจและศรัทธาที่จะศึกษาพุทธศาสนามากครับร บ, บว น, นอาจารย์แนะนําให้ผมด้วยพระนัตภัตปัญญาวโลนี่ก็คือแบบไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเยอะแบบนี้น ะ, ะกะ็หลักง่ายๆนะหนังสือหนังสืออื่นเนี่ยวางไว้ก่อน ให้อ่านแต่พุทธวนะก่อนอ่านแต่คำตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เนี่ยจะเป็นคําร้อยกรองประเภทกราบกรอนอักษรสลสรันสลวยเป็นชนะวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเนี่ยเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เยี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจับไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนเพราะพระศาสดาสั่งอย่างนี้นะว่า คำที่แต่งใหม่คำสาวกเนี่ยอย่าไปฟังวางไว้เราก็วางเดินตามพระองค์แล้วก็บอกว่าสุตตันต์เราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละเนี่ยให้เงี่ยหูลงฟังให้ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและให้ศึกษาดังนะ น, นั้นหนังสือที่เราจะอ่านซีดีที่เราจะฟังขอให้เป็นพุทธวจนะจากนั้นเนี่ยมักวิธีนะถ้าที่อัตมา ดูมาแล้วที่พระศาสดาแนะนำบ่อยๆสอนบ่อยก็คือการละนันทิการเจริญอาณาปานสติแค่รู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยนะไปเรื่อยๆรู้ให้บ่อยๆให้มากๆถ้าจิตเคลื่อนหรือหลุดออกจากลมไปให้ละความเพลินอย่าเอาจิตไปผูกกับอารมณ์หรือตามอารมณ์นั้นไปให้รีบละให้ไหวนะถ้าเราละได้ไวได้เร็วเท่ากับพิบตาพระองค์ก็ชมว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาฉันเลยมีกําลังมาก แรกๆเราก็อาจจะเผลอเปลนไปแต่พอเราฝึกเรื่อยๆเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะเป็นอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆอ่านไปศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจ aria? จากเพชรบูรณ์ก็บอกจากหนังสืออนาปาผู้โธชนะที่ว่าภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้สนสังโยชน์เบื้องต่าห้า เป็นโอปปาติกะแล้วจะกปนิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาผู้พิสุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในพิสุนี้ทมที่เรียกว่าโอปปาติกะหมายความว่าอย่างไรหมายความถึงมันเป็นระบบการเกิดของสัตว์ที่เป็นการผุดขึ้นเป็นตัวมาเลยทีเดียวน ะ, ะไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อะไรนะผุดขึ้นเป็นตัวมาเลย ราะความหมายใน Google เยอะจนจับประเด็นไม่ได้ อ, อันนี้พระเจ้าอธิบายไว้อยู่นะเพราะ Google ไม่ยังไม่ได้ใช้พุทธศานะมันก็เลยมีหลายหลายความหมายนะจากเมืองทองธานีบอกหนังสือที่พระอาจารย์เคยกล่าวว่ามีผู้แต่งจบด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาแต่งไว้เกี่ยวกับพุทธศาสนาของแท้ของเทียมจะหาซื้อได้จากที่ไหน อาจารย์มีแจกหรือไม่ยมกำลังศึกษาด้านพุทธศาสนาอยู่ที่มห า, มาชวิทยาลัยจะนำไปต่อ ย, ยอดเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่พุทธวิญญาในหมู่นักศึกษาของสถาบันต่อไปก็กำลังกลังดูลรายละเอียดอยูอ่เดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะเอาขึ้นให้พวกเรา ได้เข้าไปดูกันนะในส่วนที่เขาเข้าไปสำรวจแล้วก็สืบค้นมาว่าไอ้เนื้องอกในศาสนาพุทธเนี่ยด้านวัตถุด้านพิธีกรรมด้านคำสอนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเขาก็รวบรวมมาพิธีกรรมต่างๆนะการบนขอลาบผลต่อเทวดาการบวงสรวงการปลูกเสกการทำน้ำมนต์การทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยซึ่งจริง ๆ, ๆเหล่านี้ก็จะมีใน พระสูตรอยู่แล้วในเรื่องของสัมป น, นะศีลานะซึ่งเราไปอ่านในนั้นก็จะเจออยู่เหมือนกันมันเป็นพิธีกรรมของสมณพรามณ์เหล่าอื่นนะจากสมุดประการผู้ถามได้เข้าข้อสัตยบัติธรรมของผู้ใหม่เมื่อเดือนที่แล้วอยากให้หลายๆคนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธวันะจึิงได้แจกหนังสือที่ตนเองมีอยู่เพื่อช่วยเผยแพร่คาพระพุทธเจ้า รวมทั้งแจกเพื่อนๆในปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยถ้ามีโอกาสขอให้พระอาจารย์เปิดอบรมต่อสําหรับผู้ใหม่ที่ต้องการต่อยอดก็รู้สึกว่าจะเปิดทุกเดือนเหมือนกันนะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็สมัครเข้ามาได้จากจังหวัดตราดผู้ไม่ต้องการเกิดอีกเนี่ยจากเสาข้ามกั้งมีนาที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้อ่าน ที่โยมส่งความระลึกมาจากพ่ะมาะโยมดีใจมากที่พระอาจารย์นำออกอากาศเป็นความจริงที่พอเราฟังพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะนึกถึงท่านปฏิบัติตามคำสอนคือทำกายยักตาสติตลอดการเที่ยวมันก็จืดแต่การภาวนาก้าวหน้านะ <c oughs> คำถามโยมมีไม้จันหอมแกะสลักจากพ่ะมาะท่อนหนึ่งหนักประมาณหนึ่งกิโลต้องการนำสวายพระอาจารย์ ไม้หอมมากนะทีนี้หากยมถวายโดยส่งห่อ EMS มาจะเป็นการไม่สำเร็จประโยชน์ที่สุดคือไม่ได้ถวายด้วยมือตนเองหรือไม่อ่อแ <c oughs> จกมนีรัตปิตรังศีนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะตรงนั้นก็เป็นอ น, นิสงส์งเพิ่มเติมเล็กๆน้อยน้อยนะถ้าเรามีเหตุปัจจัยที่ไม่สามารถนะเพราะว่าอ่าซัพพลูตเนี่ย การให้ของตนก็คือให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้นะองค์อื่นครบแล้วก็เอาละเนาะออาจจะบางครั้งบางคราวไม่ครบทุกองค์ก็ไม่เป็นไรจากจังหวัดน่านเป็นผู้ใหม่นะแม่บ้านแม่สร้างบ้านพักปฏิบัติธรรมถวายอ วัดป่าบอกวงเล็บสาขาหนองประคงไปแล้วไปนอนวัดปฏิบัติธรรมวันหนึ่งคืนหนึ่งในวันอุโบสถที่บ้านไปวัดป่าแห่งนี้มาสิบกว่าปีแล้วค่ะพระทวงเคยจัดเรื่องนี้ไว้อย่างไรในสมัยพุทธกาลอุบาสกอุวาสิกานางวิสาขาสุชาดาปฏิบัติเช่นไรนะก็คือถ้าวัดนั้นสอนคาพระศาสดาน ะ, ะเราไปก็ ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปแล้วไม่ได้เสพครบธรรมะพระศาสดานะพระองค์ก็จะตาหนิว่ามันเป็นาการได้เห็นการได้ฟังการได้ศรัทธาการได้ศึกษาการได้บำรุงนะการได้ระลึกนะในสิ่งที่ไม่ใช่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานเพราะพระองค์ไม่อยากให้เราเนี่ยเข้าไปสู่มิจฉาทิฐิแบบต่างๆ่ะข้อที่สองาถามว่าวัดป่าแห่งหนึ่งวงเล็บสายธรรมยุตธ์เนี่ยมันเริ่มมีสายเห็นไหมจริงจริงแล้วสายไม่มีพวกนี้แต่งขึ้นทีหลังทั้งนั้นนิกายธรรมยุทวัดป่าวัดบ้านเรามาสมมติกันเองแล้วเราก็พูดติดปากใช้กัน แค่เราไม่ใช้คําเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยคำเหล่านี้ที่คนแต่งขึ้นมาใหม่ก็จะหมดราคาไปเรื่อยๆนะไม่มีใครใช้ซึ่งเป็นวัดใหม่กําลังมีการเตรียมการสร้างอุโบสถบินถวายนะขณะนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมดินน้ําจากลึกชื่อลงในแผ่นทองแล้วมารวมกันก่อนนั้นโยมเคยไปช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์แต่ปัจจุบันหลังจากศึกษาพุทธประณะแล้วเลยไม่แน่ใจสมัยพุทธกาลมีสร้างอุโบสถบิน หรือไม่และยมควรทำอย่างไรให้เหมาะสมนะก็ไม่มีคืออุโบสถเนี่ยมันตรงไหนก็ได้ที่พระเราชี้นะถ้าพระเราชี้ว่าที่เนี่ยเป็นที่เหมาะสมในการสวดทบทวนปฏิโมกนะนะที่เรียกว่าลงอุโบสถ ก็คือการมาสวดทบทวนศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรมจรรย์นะตรงนั้นก็เป็นโปรดเป็นที่ลงอุโบสถเป็นที่สวดทบทวนปฏิโมก์นั่นเองนั้นะนะจะเป็นที่ใดก็ได้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ในการชีท้ที่นะ <c oughs> ส่วนการจารึกแผ่นทองอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นเป็นของสมณพรามณ์เราอื่นนะไม่มีไม่มีในพุทธศาสนา ดังนั้นพิธีกรรมเหล่านี้จะไม่มีในครั้งพุทธกาลเลยถ้าเราไปอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าหรือถ้าพุทธเจ้ามาประทับนั่งอยู่ณที่นี้คงไม่มีพระกล้าทำนะเพราองค์ไหนทําก็คงจะถูกพระเจ้ามาเรียกมาตาหนิแน่นอนนะเนะเป็นศิลในกลุ่มแรกที่เรียกว่าสัมปันะศีลา โยมกำลังเตรียมจะถวายพุทโธชนะสิบเอ็ดเล่มกับวัดป่าแห่งใหม่ที่กําลังจะสร้างอุโบโสถบินนี้จะเหมาะสมไหมนะเอาคําพระเจ้าไปให้ไม่เหมาะสมอย่างไรนะอะันก็แปลกนะจะให้คําพระเจ้ายังถามว่าเหมาะสมไหมว <laughs> ันตเหมาะสมอย่างยิ่งเลยเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่า ถ้าถวายในหมู่คณะที่สนใจจะได้ประโยชน์กว่า น, นั้นก็แน่นอนนะถ้าของมีจำกัดเนี่ยให้กับคนที่สนใจก่อนนะแต่ถ้าของมีเยอะหรือเราต้องการเออน่าจะให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้นะอันนี้เราก็น่าทำอยู่นะยมวถวายจากพระโอษฐเล่มและพุทธวัฒนา11เล่มให้กับให้กับวัดป่าสาขาหนองประพง์ไปแล้ว วันหน้ายมจะเขียนมาเล่าใหม่เนี่ยก็ไม่รู้เขาจะอ่านหรือเปล่าน ะ, อ, ะอันนี้ก็ด้วยความที่อ่านแต่คำอาจารย์ฉันมาตลอดเลยเหมือนกั น, นมนี่จากจังหวัดน่านจากจังหวัดตากแนะนำพ่อแม่ญาติไม่ฟังพุทธศสนะต้องอาสศาศเป็นสารถีขับรถให้ไปโรงพยาบาล ไปทำบุญหรืออื่นๆแล้วเปิดซีดีในรถสำเร็จทุกไลายทำมาแล้วตอนนี้ลูกเมียและญาติญาติฟังพุทธวจนะลูกชายห้าขวบท่องพระสูตรได้แล้วอ โ, อ โ, โอ้โหลงทุนเป็นคนขับให้เลยนะล็อกสเปคฟังซะแบบครั้งพุทธการเนี่ยพราหมณ์คนหนึ่งเขาก็จะเชิญชวนเพื่อนพราหมณ์อีกคนหนึ่งไปฟังคำพุทธเจ้าก็ไม่ยอมไปฟัง ชวนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเอามือจิกมวยผมเลยนะนะลากหัวไปไฟเดี๋ยวนี้ตาโอ้โหเอาเป็นเอาตายขนานั้นเอาไปไปไปยอมละนี่ก็บอกสำเร็จทุกลายเลยนะ่นะนะี่มีใครมีประเด็นอื่นไหมขอโกคระอาจารย์ อ, อ, อ, อ, อาจารย์ื่หมขียนขอการพระ้าตอคือถ้าโยมได้บุคคลหรือโยมเนี่ยได้เสร็จครบคําของพระพุทธเจ้าเนี่ย อ, อพวกเหล่านี้ จัดอยู่ในฐานะใดกับพระศาสดาเจ้คาคะ อ, อ, อันดับแรกขั้นต่ําก็คือ <c oughs> เราจะได้เป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมเนี่ยนี่คือต่ําสุดละน ะ, นะคนไม่เคยฟังธรรมเลยขยับขึ้นมาก็ ค, คือเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมปุถุชนผู้ได้สดับเนี่ยแย่ที่สุดเนี่ยนะมีผลดียังไงก็คือถ้าวันใดวันหนึ่งปุถุชนผู้ได้สดับนี้ เกิดทำสมาธิได้เข้าชั้น1234ได้พวกนี้ตายไ ป, ยปยผู้เจ้าบอกจะไปเกิดเป็นเทวดาสี่ชั้นโภมายิกาอาภาาัสระสุปกินหะเวหพะละแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลนะซึ่งสามารถปรินิพานในภพนั้นแต่ถ้าเข้าสมาธิได้ชั้นหนึ่งสองสาและไม่เคยสดับไปเป็นเทวดาสีชั้นนี่มือนกันแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนนี่คือความต่างกันของคนได้สดับกับไม่ได้สดับ น ะ, ะขยับขึ้นมาอีกได้สดับแล้วเนี่ยจาได้ไหมหรือว่าจําไม่ได้นะจำได้แล้วเอาไปไข้ควรไหมหรือว่าไม่ไข่ควรเอาไปไข้ควรแล้วเนี่ย <c oughs> ทำเนี่ยมันทนต่อการเพิ้งพิสูจน์เห็นเกิดดับไหมนะมันจะมีเป็นขั้นๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเห็นเกิดดับปุ๊บทำสมาธิได้พวกนี้จะไปเกิดในสุทธาวาสและปริญญิพานในภพนั้นอย่างนี้อ่า หรือว่าแย่ที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เคยสะดับเลยแต่ก่อนตายดันได้ฟังพุทธวจนะพอดีนการได้สะดับเป็นบุติชนผู้ได้สะดับก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะละสังโยธาได้เลยมันดีกว่านิดหนึ่งตรงนี้คือก่อนตายในยอินทรีย์ศรัทธาวิญยาสติสมาธิปัญญาตัวนี้จะแก่กราเพราะมันตายจริงล้วน เพอเอาคำผู้เจ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเข้านะเวลาบอกสอนปุ๊บเนี่ยคนใกล้าตายจะพิจารณาทันทีผู้เจ้าจึงบอกอันนี้สง์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตถ้าเขายังละสังโยชน่าไม่ได้เขาจะละได้ได้นาคามีถ้าเขาระสังโยชน่าได้แล้วเขาจะได้เป็นพระหลานนะเนี่ยมีแกทนิดนิดหนึ่งนะเออ อา น, นิสงส์ตรงนี้นี่การได้ยินได้ฟังจากไหนนะได้ยินได้ฟังจากผู้เจ้าโดยตรงก็ได้หรือสาวกที่นำคำศาสดาไปถ่ายทอดก็ได้หรืออย่างที่สามเนี่ยตัวเข้าละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะอันนี้ได้อา น, นิสงส์เท่ากันหมดนะนั่นแสดงว่ายอมจะฟังต่อหน้าผู้เจ้าโดยตรงก็ตามหรือสาวกที่นำคำศาสดาไปถ่ายทอดก็ตามเนี่ยอา น, นิสงส์เท่ากันเลยนั่นคือ มันเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าความสําคัญมันอยู่ที่ตัวอนุสาสนีปฏิหารที่พระเจ้ากําหนดเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีอย่างนั้นเวลาใครเอาคําพระเจ้าไปพูดต่อเนี่ยพูดให้ครบๆตรงๆปุ๊บเนี่ยคนฟังก็จะได้ในสงฆ์เสมือนหนึ่งฟังต่อหน้าพระศาสดาเหมือนกันอย่างนีน้แล้วก็อีกระดับหนึ่งคือยังไม่ได้อะไรเลยศูนย์แต่ฟังคําตถาคตหนึ่งเนือง จนสามารถพูดได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ผู้เจ้ายืนยันว่าถึงเขาจะขาดสติเวลาตายมีสติหลงลืมทํากาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมสมมุติว่าโยมบรรลุธรรมขั้นต่ําสุดคือโสดาปฏิมาขั้นต่ำของโสดาปฏิมา ค, คือไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกเคราวก็จะเป็นพระหรัน์ เจ็ดคราวบวกอีกหนึ่งคราวของเทวดาบวกอีกหนึ่งคราวของมนุษย์ที่สร้างเหตุปัจจัยคือฟังคําต่างก้นหนึ่งหนื่ม น, นะก็เป็นเก้าชาติอย่างนี้อ่าก็เนี่ยอยู่ที่เหตุว่าโยมสร้างได้มากน้อยแค่ไหนนะถ้าสร้างน้อยมันก็ยืดการบรรลุ ธ, ธรรมออกไปนะแต่ถ้าสร้างได้มากขึ้นการบรรลุ ธ, ธรรมก็เร็วขึ้นไวขึ้นนะแล้วอย่างนี้จัดว่าโยมได้เป็นสาวกของพระศาสดาหไหมเจ้าคเอ่อ สาวกหรือพุทธบริษัทของพระศาสดาเนี่ยจะจะมีอ่าสี่สี่ขั้วพิสุ พ, พิสุณีอุบาสกอุบาสิกานะท่ น, นี้เราไม่ได้เป็นพิกษุกับภิกษุณีเพราะนี่คือกลุ่มนักบวชนะเราเป็นคารวาสคือต่ํำบรรณักบวชท่ น, นี้ต่ำบรรณักบวชแล้วเราว่าเราจะได้อุบาสกอุบาสิกาไหมก็มาดูอีกว่า คุณจะทำอะไรที่ทําให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เจ้าบอกว่ามีศินห้ากัมีอุโบสถ8ประการดังนั้นถ้ายมเป็นผู้มีศินห้านะหรือมีอุโบสถ8ประการยองก็จะจัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่แบ่งตัวนี้คือจะแบ่งเป็นสองนะคือ อุบาสกผู้บริโภคกรมอุบาสกผู้ประพฤติปรมจันทร์อุบาสิกาผู้บริโภคกรมอุบาสิกาผู้ประพฤติปรมจันทร์นะประพฤติปรมจันทร์ก็ตัวอุโบสถ8ประการนะตัวเอ่อ <c oughs> บริโภคการมก็คือรักษาศินห้าอย่างนี้นี่ก็เป็นสาวกของพระศาสดาสาวกแปลว่าอะไรสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนนะสาวกของตถาคตก็คือ ผู้ฟังคําสอนของตถาคตนั่นเองไม่ฟังคําสอนคนอื่นอย่างนี้นะลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธายมบอกว่ายมศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่ยมนั่งอ่านคําของปริพาชกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธานะถ้าเราศรัทธาพระเจ้าเราต้องอ่านคําพระเจ้าเราต้องฟังคําพระเจ้าเอาคําพระเจ้ามาปฏิบัติและเวลาจะถ่ายทอดก็ต้องถ่ายทอดคําพระเจ้าไป เหมือนโยมเคยถ่ายทอดคําอาจารย์ฉันอุอาจารย์ฉันเก่งนี่อาจารย์ฉันพูดอย่างนี้ก็เปลี่ยนอาจารย์ฉันเป็นตถาคตตถาคตเก่งตถาคตพูดอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนแค่นี้ปุ๊บเนี่ยก็คือศรัทธาพรนะเจ้าละชื่อว่าเป็นสาวกของตถาคตใช่ไหมการศรัทธานั้นจะดูอย่างไรพระเจ้าบอกถ้าคนศรัทธาเนี่ยเขาจะมาฟังคําพระเจ้าสั่งสมสุตตานะคล่องปากขึ้นใจทางตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเขาจะมีศีลจะเป็นผู้มีศีล โยมก็จะรู้ว่าผู้เจ้าสอนว่ากายวาจาที่ดีที่ถูกต้องทํำยังไงโยมจะน้อมออกมาทําเขาจะเป็นผู้ว่าง่ายผู้เจ้าบอกอะไรเขาจะทําตามเขาจะว่าง่ายเพราะเขาเชื่อผู้เจ้าเขาจะคบมิตรดีนะี่เขาจะบาลบความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อสร้างกุศลนี่ล้วนเป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงๆเป็นอย่างนี้อ แล้วโยมได้เรียนรู้คําของพระศาษษสดาโดยมุขปาฏะจากผ้ า, าจานเนี่ยาานับสายสัมพันธ์ระหว่างผ้ า, าจานกับโยมนี่จะเป็นอะไรก็คะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างโยมกับอาตมา ก, ก็คืออาตมาเป็นเพียงมักคานุขาผู้เจ้าจัดไว้ให้แล้วว่าสงเนี่ยเป็นอะไรสงเป็นเพียงมักคานุขาผู้เดินตามมักเท่านั้นนะเป็นทายาทแห่งธรรม นะเป็นสมณะสักยะปุติยะเวลาถูกเข้าถามว่าท่านเป็นใครพุทธเจ้าบอกให้พระตอบว่าเราเป็นสมณะสักยปุติย ะ, ะปุติยะก็คือบุตรบุตรของสมณะในสักยตระกูลอย่างนี้บุตรของสมณะในสักยตระกูลเนี่ยมีหน้าที่อะไรเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคต เกิดโดยธรรมเนลมิตรโดยธรรมเป็นโอรสอันเกิดจากปากของตถาคตปากผู้เจ้าพูดอนุสาสนีออกมาคือคําพูดคําบอกที่ออกจากปากแล้วเขาฟังเข้าใจเอาไปประพฤติปฏิบัตินะได้มักได้ผลก็ถ่ายทอดต่อดังนั้นพระทุกลูกฟังคํำผู้เจ้ามาแล้วเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วตัวเองได้มักได้ผลอย่างไรก็ตามอินทรีย์ของแต่ละท่านเวลาถ่ายทอดถ่ายทอดคําใคร อาจารย์ฉันพระตถาคตเก่งที่สุดนะพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้เราจะถ่ายทอดคํำตถ า, ถาคตออกไปนี่คือหน้าที่นะของพระก็คือมาบอกว่าผู้เจ้าพูดอะไรเวลาโยมมีปัญหาอะไรอ๋อผู้เจ้าพูดว่าอย่างนี้นะนั่งสมาธิทํำยังไงอ๋อผู้เจ้าสอนอย่างนีนะ้หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะัสมาธิมีกี่ระดับอ๋อผู้เจ้าจัดว่ามีเก้าระดับตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเ ว, วทิตานิโรธนะ่น การวัดสอบปริญบุคคลทำยังไงอ๋อมีห้าสิบกว่าในยะนะหนึ่งสองสามก็จะแจกแจ ง, แจงตามคำพุทธเจ้าไปนี่ไงดังนั้นพระสงฆ์ก็คือเดินตามดีถึงที่หมายปฏิบัติ ด, ดีตรงควรชอบตามพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำพุทธเจ้าให้โยมได้ฟังนะอย่างนี้ขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์คะขอโอกาสครับคือไม่ทราบว่าจะเคยมีใครถามแล้วหรื อ, อยัง น, น, นะคะ คืออย่างกรณีที่อย่างเพื่อนโยมอะคะ่ะก็ที่บ้านก็จะเป็นกิจการคือทำธุรกิจพวกลงกึงทาน็อตทาอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็ลูกชายคนเล็กเนี่ยคือน้องชายเพื่อนโยมเนี่ยมาบวชพระแล้วก็ไม่สึกไม่มีกำหนดสึกนะคะแล้วก็โยมพ่อโยมแม่เนี่ยก็มาขอร้องโดยเฉพาะแม่ก็จะมาเหมือนมาเที่ยวะไรที่ขึทุกอาทิตย์นะคะมาแกะกล่องให้ท่านสึก ว่าไม่มีใครสืบทอดกิจการนะแล้วเป็นลูกชายคนเล็กเหมือนไม่ตอแบแทนคุณพ่อแม่หรือร อ, อะไรเงี้ยค่ะมาขอร้องจน ก, กระทั่งสืก อ, ออกไปแล้วว่าสืบไปก็แบบอยู่แบบไม่มีความสุขเหมือนซึมเศร้าสังกตายอะไรเงี้ยค่ะคือท่านเนี่ยมาทางธรรมแล้วแต่ว่าคือแม่ท่านก็อยากจะให้หยังไม่มีศรัทธานในพุทศาสนายิ่งพุโทโธจนทร์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะก็หรือมีครอบครัวที่ยมรู้จัก จะมีพฤติกรรมคือพ่อแม่จะมีพฤติกรรมคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะหลายครอบครัวว่าก็มีอีกครอบครัวนึงเพื่อนก็ให้ฟังบอกว่าลูกชายเพิ่งจบจบธรรมศาสตร์จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ยี่สิบกว่าเองค่ะก็ไปบวชที่วัดที่เมืองการแล้วก็เกิดศรัทธาไม่ยอมศึกนี้โยมแม่ก็อ่ะคือไปขอร้องให้ท่านศึกท่านก็ไม่ศึกเสียทีนี้ท่านก็มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวทีนี้ก็เอา โทรศัพท์มือถือโยมแม่เนี่เอาโทรศัพท์มือถือไปถวายท่านท่านก็โยนทิ้งน้ำคือ <c oughs> <c oughs> คือตัดขาออกจากทางโลกด้วยเย่าเรืออะไรต่างๆนะคะีค่ะท่านก็ไม่เอาโยมแม่ท่านก็ไปใหม่ก็เอาไปคือทิ้งน้ํำหลายเครื่องไม่ต่ำกว่าสเครื่องอนะคะ่ะคืออยากทราบว่าเออพ่อแม่ที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบเนี้ยคะ่ะจะได้รับอกุศลวิบากในทํานองไหนมีมีพระสูตรตัดไว้บ้างไหมอะคะ่ะจะได้รับบัต <c oughs> มาก้อนาไหนอะคเอ่อก็คงอยู่ที่ตัวพระแล้วก็อือเจ้าบอกอย่างนี้ถ้าใ <c oughs> ครถ้าใครประพฤติมักแปดแล้วชักชวนให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติมักในองค์แปดด้วยเนี่ยเป็นสั ต, ตบุรุษยิ่งกว่าสั ต, ตบุรุษคนประพฤติมักแปดก็เป็นสั ต, ตบุรุษ ชักชวนคนอื่นประพฤติมักแปดด้วยก็เป็นสัตตบลุ่ยิ่งกว่าสัตวตบรุ่คนไม่ประพฤติมักแ8ดเป็นอสัตว์ตบลุ่และก็ยังชักนําคนอื่นไม่ให้ประพฤติมักมีองค์แปดก็จะเป็นอสัตว์ตบลุ่ยิ่งกว่าอสัตว์ตบลุ่นัอย่างนี้ก็อาจจะเป็นการปิดเหมือนกับไม่เกิดปัญญาธรรมอาจจะทําให้ได้รับวิบากที่ไม่ได้รับถดตรัพย์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไปอีก หลายภพหลายชาติก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่พ่อแม่มีหนาัวร ย, ยังไม่เจอรายละเอียดในพระสูตรเหล่านี้ก็จะเจอเพียงเพียงประมาณเนี้ยนะแต่คิดว่าคงมีพระสูตรพวกนี้นะแตยโยมตั้งข้อสังเกตว่าวัดนาปัาพงเนี่ยจะเห็นจะได้ยินว่ารูปเนี่ยชวนพ่อแม่มาวัดเนี่ยเยอะมากคือไม่ใช่แบบส่งมเจอพ่อแม่สุไวัยแล้วก็จะเข้า เข้ามาศึกษาทำปฏิบัติธรรมสมัยก่อนจะได้ยินว่าพ่อแมอ่ชวนลูกเข้าวัดนะหนุ่มสาวอยู่ก็อย่าพึ่งแบบคือส่วนมากก็จะยังเพ่อเพลินอยู่กับกรรมคุณห้าลูกเสียงกิโรสัมผัสอะไรอย่างนี้แต่ว่าวัดนี้เนี่ยก็จะได้ยินลูกซึ่งเป็นยังอยู่ในวัยช่วงทำงานตอนต้นเลยก็แบบชวนพ่อแม่เนี่ย มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็อาจจะเป็นเพราะพระสูตรของพระเจ้าที่ว่าโยมก็ยังแบบไม่ค่อยมีเวลาอ่านนะคะเป็นคารวะทับแค่ทำมาหาักทำมาเพียงชีพยเยอะก็จำได้ว่ามีพระสูตรเกี่ยวกับทิศหกยังบิดารดาผู้ทุศินให้มีศีลและสัมปทาอะไรเงะะี้ยค่ะแต่จะเอาข้อแม่ขี่บาอะไรเป็นร้อยร้อยปีอะไรก็ยังแบบเหมือนป็นบัติพ่อแม่ อย่างดีก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอา น, นิสงส์งเท่ากับให้พ่อแม่เนี่ยได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติทำทำของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่หรือพวกน้องน้องบริษัทอูโบต้าเอยหรือพนัก ง, งานบางทายหรือบริษัทต่างๆนะคะเดลต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยดีวไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าจะเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยคือวัดนาประพง์สามารถจะดึงคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาวัดได้เยอะ เยอะมากกว่าวัดอื่นนะคะอาจจะเป็นด้วยสื่อด้วยแล้วก็อนุสาสนิปติหารของพระพุทธเจ้าด้วยอ่าก็มันก็เป็นที่ที่อินทรีย์ของของแต่ละท่านแต่ละคนะนะเนาะฟังคําพระศาสด า, าแล้วก็เข้าใจแล้วเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วนี่ก็อยากให้คนที่เราลักญาติสาเราเห็นเนี่ยรู้ด้วยว่าเออคำพระศาสด า, า, าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อ่าแล้วก็ มันก็แล้วแต่เขาละว่าเขาจะศรัทธาต่อไปหรือไม่อย่างไรนะจริงๆเราก็เป็นเพียงแค่แยกแยะข้อมูลให้พวกเราเห็นว่าอะไรที่พระเจ้าเคยสอนกับอะไรที่ไม่เคยสอนน ะ, ะแล้วเราก็ไปเลือกศรัทธากันเอาเองนะสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยสอนทั้งชีวิตหรือว่าบอกไว้ด้วยว่าเป็นเดลจันวิ ช, ชาเป็นสิ่งที่ <c oughs> ทําให้เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิ ถ้าเราจะยังจมอยู่ในนั้นมันก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยๆแนตะ่ถ้าเรารู้แล้วเราศรัทธาพระเจ้าเราก็จะละเลิกจากสิ่งเหล่านั้นเองดังนั้นหลายๆคนเมื่อศึกษาคําพระศัสดามากเนี่ยก็จะวางสิ่งเหล่านี้ไปเองโดยอัตโนมัติจะหมดราคาไปเรื่อยๆเลยเลยเลยเลยหมดราคาจริงคะ่ะท่านเมื่ อ, อสักครู่ไปหลังชามตรงนั้นก็เจอกาลยนานมิตรแบบคอเดียวกันก็คุยกันเป็นค่อนชอั่วโมง คือโยมก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยคือโยมก็มีมานะเหมือนกับคิดว่าตัวเองนี่เจ๋งและไปเรียนพระไตรปิฎกโดยตรงโดยไม่รู้ว่ามีคำแต่งใหม่คืออัฏฐะเรียกสวยหรู้ว่าอัฏฐพถาเป็นคําอธิบายคําพุทเจ้านึกว่าเราไม่ไปฟังพระวัด น, นู้นวัด น, นี้เดี๋ยวไม่เป็นไปตามแบบแผนที่ถูกต้องเราต้องไปเรียนจากมหาวิทยาลัยพรทะที่มาจากมหาวิทยาลัยส่งโดยตรงมึงว่าตัวเองนี่หูมีบุญมากเลยคนพุทธศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยไม่ได้มาเรียน ทุกอาทิตย์แบบเราที่เป็นแบบระดับแบบถูกต้องตามแบบแผนเรียนมาสาปีนี่ตอนนี้รู้ว่าโง่มาก <c oughs> มีทังน้ำน้ำบานเลยเนื้ อ, เ น, อเนื้อของกุฏิตาเอ้ลุงลังเนี้ยคือปฏิบัติก็กิเลส ก, ก็ไม่ได้เบาบางลง <c oughs> แต่วัด น, นี้เจ็ดเดือนนี้เงินคือพ่เขสาซาเพิ่มขึ้นแต่กิเลสบางลงคือมันสวนทางกันนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่เมื่อก่อนนี้ไอ้ทับก็ไม่ได้มากขึ้นก็ มากขึ้นมานิดหน่อยก็นึกว่าตัวเองแบบโหดีแล้วเลิศแล้ว mm hmm. <laughs> พอตอนนี้เพิ่งรู้ความจริงว่าตัวเองก็บุญก็ยังน้อยอยู่แต่ตอนเนี้ยบุญมากจริงๆที่ได้เจอพระจารในรายการทุนในโชว์แล้วก็สื่อนี่ก็มีอิทธิพลจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าในการดังๆนี้นิมนต์ท่านไปแสดงธรรมนี่น่าจะคนที่ไม่รู้จักพุทธวัจนะน่าจะได้แบบเปิดโลกธรรม ว่ า, าทางพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะที่คนรสื่อสารอืมถ้าสื่อสื่อไปในทางที่ไม่ดีก็นะคนก็ได้เสพครบธรรมะที่ผิดไปอีกเยอะเลยนะเรื่องสื่อเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่เราสื่ออะไรออกไปเนี่ยถ้าอากุศลเจริญกุศลเสื่อมเนี่ยอย่าสื่อออกไปถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามนะไม่ไม่ควรสื่อออกไป แต่ถ้าสื่อออกไปแล้วเนี่ยกุศ น, น, นเจริญอากุศลเสื่อมเนี่ยให้สื่อออกไปได้นะ น, นี่เป็นหลักการในการสื่อออกไปซึ่งพวกสื่อสารมวลชนทั้งหลายน่าจะเอาหลักการนี้ไปใช้นะก็ะจะทําให้ไม่เกิดความวุ่นวายในสังคมานะจะเห็นว่าผู้เจ้าสอนหมดเลยหลักในการเป็นทูตทํำยังไงนะการค้าขายจ ะ, จะเจริญทํำยังไงเนะี่ยละเอียดมากทุกเรื่อง โยมก็คิดว่าคือคาของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือไม่ต้องมีใครบังอาจมาขยายความคำของท่านอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาตีความท่านให้ถูกต้องเท่านั้นเองก็อ ธ, าธาิษฐาแล้วก็ยังมีดีกาอ น, นุดีกาโ ย, ยมเพิ่งรู้เอาขยายอ ธ, า ธ, าธาิษฐานเข้าไปอีกขยาย <c oughs> เรียว่าดุริกาอีกเอ้ามีอนุพิการเอาเอา เ, อาเข้าไปก็จะผิดเพี้ยนกันไปถึงไหนโยมก็<ช>สงสารผู้ที่เรียนมหามกุฏมหาจุฬาเหมือนกันนะค ะ, ะแต่ก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยเขาถ้าสักวันหนึ่งเขาดวงคือเหมือนกับเหมือนโยมเหมือนกับมีบุญถึงเวลาขเขาก็คงมีเหตุปัจจัยให้เขาได้เปลี่ยนแปลงนะคะใช่ใเนี่ยนะเนี่หมีไม้ไอ่าเจษกลับนมัสการเจ้าค่ะอ่า อยากจะถามว่าจิตหรือเจตสิกกับพิญญาเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่และตวจไม่ได้อย่างไรเจ้าค่ะเออเจตสิกเนี่ยผู้เจ้าตัดไว้เพียง9ก้าคำไอ้เจตสิกที่ไปนั่งเลยนกันเยอะๆ50ดวง80ดวงร้อยกว่าดวงอะไรเนี่ยอันนี้แต่งขึ้นใหม่นะดังนั้นเจตสิกเนี่ยเป็นอาการของจิต <c oughs> จิตเนี่ยผู้เจ้าบอกว่ามันก็คือวิชาณติคือ ผู้รู้แจ้งในอารมณ์นะอารมณ์อะไรที่มันรู้แจ้งได้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังการสี่ธาตุนี่เรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกแล้วก็อะไรนะวิญญาณวิญญาณเหรอวิญญาณกับจิตอันเดียวกันนะกับใจนะผู้เจ้าบอกว่าพิสุท์ทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนะอันเดียวกันแล้ววิญญาณนี้เกิดมาจากจากที่ไหนอย่างไรเจ้าคะวิญญาณเกิดมาจากที่ไหนอย่างไรวิญญาณเกิดเพราะนามลูกและนามลูกก็เกิดเพราะวิญญาณ น, นะที่ที่โยมไม่เข้าใจก<า>็คืออย่างคนเราถ้าเกิดปฏิบัติได้แล้วไปจุดอิปเปนเทพลมอุลุปภลมอย่างนี้เจ้าค่ะอันนั้นก็คือเป็นวิญญาณใช่ไหมเจ้าคะ อาตภาพพวกนั้นเนี่ยมีขันทั้งห้าอยู่แล้วในนั้นนะมีวิญญาณขันอยู่ในนั้นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในนั้นนะแต่อรูปประพรมนี้จะไม่มีวิญญาณขันใช่ไหมเจ้าคะไม่มีขันห้ามีมีเหรอเจ้าคะวิญญาณมีทุกที่เลยพระสัตว์เนี่ยหลงวิญญาณก่อนนะส่วนอรูปเนี่ยจะหมายถึงพวกที่ทําสมาธิแล้ววางรูปได้รูปประสัญญาการหมายรู้ในรูปได้ ก็เลยเป็นได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยสัญญาไม่มีรูปไม่มีมหาปุตตะสีคือดินน้ำไฟลมแต่หลังจากกายแต่ทำลายก็กลับมาสู่สังสารวัตรที่เป็นดินน้ำไฟลมอยู่ดีคือไม่ได้หลุดเด็ดขาดออกไปแต่ถ้าเกิดอย่างหลุดเป็นพระอาหารหันต์นิพพานก็จะไม่มีรูปไม่มีวิญญาณคือทุกอย่างดับสู่กันหมไม่มี ความดับศูนคืออุปทานในขันธ์ห้าเนี่ยดับศูนย์ดับความยึดมั่นในขันธ์ห้าไม่มีขันธ์ห้าในนิพพานก็จะเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าไปเลยเลยเจ้าคะ่ะก็เป็นภาวะคงที่ผู้เจ้าเรียกเป็นภาวะคงที่ภาวะหนึ่งเดียวคุณสมบัติของภาวะนี้ก็คือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอขอบพระคุณเจ้า อากาครับคู่บริภโภคกา ร, รก็คือถึอนใช่ัหมครับอาจารย์ถ้าคู่ประพิภูมจิจันทร์ก็คือศูนปขอไม่ใกล้ๆน่ะไม่ได้ยินคู่ประพฤติภูมิจันรก็คือสินปใช่มครับอาชายไม่ใช่หมายความว่าบริภโภคกา ร, รมรว่าการมีคู่ภูมจิจันแบบว่าคือคือไม่มีคู่ไม่ใช่ใช่มัยมันละเอียดกว่านั้นเรื่องกาะกินอาหารอร่อยก็เป็นกามฟังเพลงพก็เป็นกามนะ ภาวะอันเป็นที่รักที่น่ายินดีในโลกเนี่ยนะรูปที่น่ารักน่าพอใจเสียงที่น่าฟังกลิ่นที่น่าสูดดมนี่กามหมดเลยนะมันเป็นกามาคุณที่เป็นเครื่องต่ต่อให้เกิดกามขึ้นมาดนะผู้ปริบัติพระอาจรย์ก็คือผู้ที่ไม่มีไม่มีกามก็คือพยายามละจากความพอใจในสิ่งเหล่านี้นะอจาจารยงามผลพระอาจารย์ครับ วันนี้เป็นวันที่ครบรอบหนึ่งปีที่รู้จักพุทธวจฒนะครับใอวันเกิดผมด้วยครับอาจารย์ก็ตลอดหนึ่งปีมายี่สิบเก้าปีที่ผ่านมาอาจารย์ก็ชีวิตก็ลําบากพัฒนาอาจารย์แล้วก็เจอพระเจออิทธิปฏิหารบุกเสกมาหมดครับไม่เคยไม่เคยจะเจริญรู่เรืองเท่ากับแค่แคปปีเดียวที่ผ่านมาแต่ระหว่างปีนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อนะครับก็มีการทดลองกับตัวเองว่าอลอเลิกศึกษาดู ชีวิตถ้าเลิกศึกษาก็ก็เป็นทุกข์นะวีาจันท์แล้วกลับมาศึกษาใหม่เนี่ยมันก็กลับมาเบาตอนนี้คือเบามากครับพี่จันทร์ชีวิตก็เจริญขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อแม้กระทั่งตอนนี้มีปัญหามากๆครับพี่จันท์ก็ก็สามารถแก้ภายในไม่ไม่นานอรับพจันท์เพมารายงานผลทดลองกับตัวเองครัพี่จันท์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนผมสอนเด็กครับพีจันท์ถ้าเราสอนเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าถ้าเราสื่อแล้ว กุศเลเจริญแค่เราเส่อไปออใช่ไหมครับ อ, อ, อย่างผมเล่นเทนนิสครับอาจารย์เวลาผมทําสมาธิได้ได้ดีๆครับอาจารย์ผมจะมีความรู้สึกว่าฝรั่งเขาจะอธิบายว่าเกิดอาการโฟล์เขาจะอธิบายว่าคือเขาจะเห็นลูกเทนนิสช้าลงแล้วผมก็ไปบอกเด็กว่าเวลาผมนั่งสมาธิแล้วก็ลงไปเล่นเทนนิสเนี่ะผมก็เห็นอาการแบบนั้นอไม่ทราบว่าผมไปอวดอ้างที่ปฏิหารให้ให้เด็กฟังไหมครับครว อ่ากลัวกลัวเขาจะเข้ากลัวจะผิดการจดจ่อก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปฏิหารอะไรก็คือเราเราเรามีสติมากขึ้นน่ะการจดจ่อของเรามากขึ้นน่ะจิตมันจะนิ่งจิตมันจะอยู่กับที่ที่เดียวมันจะอยู่กับหน้าที่ที่เราท<ม>ําในปัจจุบันนะมันก็ทําให้เห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆได้ได้ละเอียดขึ้นน่ะจิตมันไม่แกว่งไปไหนน่ะอ่ามันจะมา จดจอ่อยู่กับที่ที่เดียวงานอันนั้นเนี่ยจะเป็นงานที่ดีที่สุดนอกจากตอนนี้จะเห็นลูกเทนิช้าลงยังยังเห็นอากากของฝั่งตรงข้ามที่พี่เขามีอาการด้วยซาำว่าจิตใจใเขาเป็นยังไงนะตอนนี้ ก, กำลังทำวิจัยใช่ไหมครับเรื่ผลดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่ตอนนี<ๆ>้ยังติดนั่นคือเรา<ๆ>เราสังเกตตัวเราเราสังเกตตัวเราให้ละเอียดเนี่ยถ้าฉลาดในวารลจิตของตนเนี่ยจะฉลาดในวาระจิตคนอื่นด้วยและยังจะรู้เลยว่า เขาจะขยับยังไงอาการจิตที่ปรุงมาปุ๊บมันจะบอกอย่างนี้นะโดยที่เราเนี่ยสังเกตตัวเราเองให้ละเอียดนะเวลาเราเนี่ยจะขยับเนี่ยลูกตาไปก่อนไหมหรือเหมือนกับพระเวลาฉันอาหารเนี่ยพระเจ้าบอกให้จ้องดูอยู่ในบาทฉันบินตบาดถามว่าได้อะไรได้เยอะนะเวลาเราจะเอามือตักอะไรเนี่ยลูกตาไปมองมือไปนะขนาดมือไปแล้วนะถ้าตาเปลี่ยนมามองนี่เอ๊ะอยาก มือกลับมาอีกเนะี่ยเห็นนะอจิตปรุงก่อนปุ๊บสั่งอายตนะขยับขยับปุ๊บอายนะอื่นตามอย่างเนี้ยมันจะเห็นกระบวนการทํางานพวกนี้หมดเลยแลย้วยมจะเห็นเนี่ยนะคนขยับจะขยับปุ๊บเนี่ยรู้แล้วจะทําอะไรจะไปไหนมันจะประเมินประเมินได้ได้ชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยอแล้วก็มีบางพวกที่เราเราใช้พุทธวชนะไปแล้วถ้าเขาไม่ไม่โอเคแล้ว เรามองเราว่าพอเขาไม่โอเคเราไม่พยายามต่อเนี่ยเราเราจะตายก็ <ul> ไม่เป็นไรเงนินแล้วแต่ว่าเราคิดจะสงเคราะห์ไงซึ่งเหตุปัจจัยความผูกพันกันเรากับเขาอาจจะมีกันแค่นั้นแต่ถ้ามีความผูกพันมากมีความรักกันเยื่อใ ย, ยกันหรือสร้างเหตุปัจจัยกันมา ก, ก่อนเราก็จะมีความพยายามมากขึ้นนะอ่า อ, อย่างนี้นตัวกับผมกับพัญญาต้องกาบขอบคุณพระอาจารย์มากครับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆครับ ออขอเก่าครับราอาจารย์ครับไปอ่านอยู่บทสูตรเลยคะก็คือที่บอกว่าภาวะอันหามีอวิชาเป็นอาหาร อ, าอาวิชามีนิบรณ์ห้าเป็นอาหาร นิวรณ์5มีทุจริต3เป็นอาหารทุจริต3มีการไ ม, ม, ม่สำรวมอินทรีย์เป็นอาหารอันี้ไอ้สำรวมอินทรียเนี่ยมันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าตัวศรัทธาวิญสาติสมาธิปัญญาคราจารตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่านี่ว่าเราจะไปคิดไกลขนาดไหนก็กลับมาที่ก้อนกายเราหมดเลยกลับมาที่ก้อนกายง่ายๆ ตัวสัมโลโมินรีเนี่มันจะดึงทุกอย่างมาได้หมดเลยดึงกุศลทุกอย่างมาได้นสําคัญมากพออ่าประจุนี้พอมาใหล้คนโอ้โหจริงๆทุกคนเนี่ยพยายามจะไปหาสิ่งข้างนอกหมดเลยใช่ลืมพิจารณาในในในในในนามรูปเราเองนะใช่ใชสํารวมินทรียเนี่ยสาคัญมากยังเป็นตัวเหตุปัจจัยของการที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ผู้ประมาทคือผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทแล้วผู้เจ้าทิ้งไว้1นึ่คำคืออย่าประมาทใช่ไหมอ่าะฉะ น, นั้นคำคำนี้สำคัญมากทิ้งทวนไว้ก่อนตาย1คำเนี่ยบอกอย่าประมาทคำนี้สำคัญแล้วคำนี้มีรายละเอียดยังไงไม่ประมาทอาการยังไงจึงจะรูกว่าไม่ประมาทเราก็จะสงสัยอ๋อผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอปล่อยให้จิตมันเข้าไปเกลือนกล้วกวับรูปเสียงกิริลดนั่นแหละประมาท เมื่อไม่สํารวมอินทรีย์คือตายอยูนะ่จิตย่อมจะเข้าไปเกลือกลัวในวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักสุเมื่อจิตเกลือกลัวแล้วเนี่ยปราโมทย่อมไม่มนะีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มนะีจิตไม่ตั้งมั่นนะทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏพิกสุนั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแทนะ้แต่ถ้าเราสํารวมอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยจิตจะไม่ไปเกลือกลัวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่ตางๆ น ะ, ะก็ปิติจะเกิดนะสุขจะเกิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เมื่อจิตตั้งมั่นได้เนี่ยพระเจ้าบอกทำทั้งหลายย่อมปรากฏอืแต่ว่าอย่างนั้นถ้าเราทุกการดําเนินชีวิตประจําวันถ้าเราทำสมาธิทุกครั้งเนี่ยอืมก็เป็นเป็นผลดีกับเราไหมเป็นผลดีแล้วเป็นการสำลูวินรีย์แล้ว อ ย, อย่างที่ผู้เจ้าบอกท่านกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดจริงๆเราเอามาใช้กับเราก็ได้เอามาใช้ได้พยายามทำพยายามทําเวลาพูดปุ๊บให้อยู่ในกรอบสัมมาวาจ่าสี่อย่างนะไม่โกหกคําอยากเพเื่อเจะสอนเศษอย่างนี้นะหรือเป็นคําพูดที่เป็นไปเพื่อการขูดเกากิเล็กถาวัตถุสิบพูดเรื่องมักน้อยสันโดษสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะ ถ้าเราพูดสิบเรื่องนี้ผู้เจ้าบอกขูดเกาวคิเลสกราบขอกาสพระอาจารย์ค่ะ เ, เมื่อสักประมาณสัก3กามอาทิตย์ที่แล้วที่ได้มากราบปรึกษา เ, เรียนปรึกษาพระอาจารย์เกี่ยวกับอาชีพนะคะว่าอาชีพเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยจะทำให้เราจิตยึดติดอยู่กับกิเลส หรือไม่อะไรเงี้ยอาจารย์ก็ได้ให้ให้คำตอบแล้วว่าคือถ้าเป็นอาชีพเนี่ยก็ก็ไม่ได้ผิดมากแต่รู้สึกตัวอยู่เองว่าจะเกิดความอึดอัดเรื่อยๆหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วแล้วปฏิบัติสมาธิแล้นะคะก็ฟังพระอาจารย์เสร็จพระอาจารย์เบอกไว้คำหนึ่งว่าแต่ถ้าเลือกได้นะคะถ้าเลือกได้ก็ก็มันก็จะมีสิ่งที่สิ่งที่ดีกว่าคือแทนที่เราจะนั่งหมกมุ่นอยู่กับ ความอิจฉาลิสยาปัญหาทุกอย่างเพราะว่าทุก uh huh. ในบทละครมันต้องมีทุกอย่างประมาณ uh huh. พันกว่าฉากเนี่ยนะคะก uh huh. ว่าเราจะคิดได้ uh huh. ก็เกิดความมหาสิจย์คือกลับไปก็กลับไปด้วยใจที่ปล่อยวาง uh huh. แล้วก็คิดลแล้วก็ปฏิบัติสมาธิทุกวัน uh huh. อสองวันผ่านไปเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยทำให้ต้องถอนตัวมาจากการใช้บละคร uh huh. ซึ่งก็เป็นเมื่อก่อนก็คงกระตือรือร้อนหางานใหม่ uh huh. แต่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตนิ่งแล้วก็ใช้สมาธิปฏิบัติสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือคือไม่ไม่ได้คิดถึงว่าจะทำอะไระแต่ว่ามุ่ง ม, มั่นปฏิบัติสมาธิจากนั้นประมาณอีกสามวันวิวมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกว่าที่ช่วยเขียนหนังสือให้หน่อยให้เขียนก้าเล่มเล่าเรื่องราวชีวิตแ้าที่ ปรสําเร็จล้มเหลวแล้วก็กลับมาประสบความสำเร็จอีกทีด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ช่วยแทรกพุทธวจนะเข้าไปในในหนังสือทั้ง9้าเล่มนะเป็นเป็นความอาฆาตยานมากเลยครับอาจารย์อาจารย์พูดไว้วันแรกที่มาปรึกษาว่าเขียนเรื่องธรรมะก็รวยได้นะทําไยจะรวยจริงๆครับอาจารย์ใช่ใช่นะเออี่ยดีดีนะ สร้างเหตุปัจจัยห้าอย่างศรัทธาศินสุตจากกะปัญญาเนี่ยนะปรารถนาอะไรได้ น, นี่ันจะเป็นไปเองชีวิตพระจะเห็นง่ายนะบางทีแล้วไม่กลายรอ้ามาล้ไม่กระไรเ อ, รเอ้ได้แล้น่าจะเห็นง่ายนะอาอจาขอกาสที่อานบอกเมื่อกี้ทําปัจจัยหอย่างถ้าที่ทำสี่อย่างที่ว่าสินแล้วไปเรื่อยๆปัญญาแล้วก็สุยอ่างไหนจาะได้อันนี้สองมากกว่า อ๋อถ้าดูแล้วน่าจะเป็นตัว5อย่างตรงนั้นเพราะว่าตัวตัว4 4ี่อย่างตรงนั้นนะ่ะจริงๆมันก็มีอย่างที่5ด้วยเหมือนกันก็คือทําความสงบแ่งจิตในภายในนะแต่เราเห็นว่ามันใกล้เคียงกับคำว่าไม่เห็นห่างจากฌานแต่จริงจมันก็แยกกันอยู่น ะ, ะท่านจะวาดวัดปากค้าท่านก็บอกตรงนี้นะมาะแล้วก็บอกว่าก็ก็เห็นอยู่แต่คําว่าทําความสงบแผงจิตในภายในอะไรเนี้ยมันเขา คนเข้าใจยากนิด น, นึงเราก็เลยเอาง่ายๆมาก่อนนะในในตัวพระสูตรนี้พระเจ้าจะระบุระบุเป็นเรื่องๆเรื่องๆๆๆแต่ก็ค่อนข้างครอบคุมอะ่ะแต่ตัวตรมาห้าประการนั้นเนี่ยบอกเป็นเรื่องกว้างๆเลยปรารถนาอะไรได้หมดสําเร็จตามความปรารถนาแสดงว่าทุกเรื่องแต่ข<อ>้อท้าที่อา่านสี่อย่างนี้ใช้กับพระหรือเปาฮะหรือว่าแล้ว5อย่างนี้ใช้กับฆราวาสอาือมันเป็นในแบบของฆราวาสก็มี ว่าถ้าต้องการเหมือนกับชื่อเสียงกิติยศหรือว่าเอกล่าปอะไรต่างๆอย่างเนี้ยอ่าซึ่งในทางการละก็ได้เหมือนกันแต่ก็ไล่เรียงไปจนถึงการสิ้นอสวะอย่างนี้คือแล้วให้ทำให้ย่างนที่สุดดีกว่าก็น่าจะกว้างกว่าอาจารย์ครับขอการครับศึกษาเอศึกษาแล้วอ่านแล้วนี่พอพิจารณาสามคาที่ ที่พระเจ้า <Sure. S 1> ท่านบอกว่าการศึกษาตามลําดับโดยลําดับ uh huh. กับทําโดยลําดับแล้วก็ปฏิบัติโดยลําดับตอนแรกก็ไม่เข้าใจ uh huh. พอโหยิ่งย่งศึกษาไปยิ่งละเอียดละเอียดละเอียดอย่างเมื่อก่อนดูแค่อกุศลกรรมบดสินะแล้วก็ท่องไปพอเจอในหนังสือพรภูมิท่านบอกมีถึงยี่สิบมีสามสิบมีถึงสี่สโผมก็งงนะ uh huh. แต่พออ่านรายละเอียดนะโอเราก็ทําเองสิ เราชวนผู้อื่นทําอีกสิบแล้วก็ยินดีที่เขาทาอีกสิบแล้วก็สันเสริญเขาบอกแล้วเหยียดไปเรืละเอียดไปเรื่อยละเหยียดไปเรื่อยนะผมก็เนาแล้วผมนี่สงสัยว่าตอนแรกนุ้งก็จะยากนะพ่อจ๋าทำไมทำของท่านจะลึกลุ้นอีกทีนะทําเองทําเองสิบทาเองสิบสิบแล้วไปชวนผู้อื่นทําให้ทํากุศลกรรมบวชสิบอีกสิบอสิบอ่าเป็นยี่สิบ แล้วก็ยินดียินที่เขาทําที่เขาได้ทำอีกสิบอีกสิบแล้วก็ไปสังเสริมเขาอีกโอ้โหของอาแล้วคือไปชวนระสูตรที่เป็นสี่สิบเป็นสี่สิบตอนแรกสงสัยว่ายินดียังไงก็ไปเจอที่พระพุทธเจ้าท่านท่านทรงปวดหัวนะฮะอ่านมาสูตรแล้วท่านก็หมอก็หาสาเหตุไม่ได้ที่ท่านนั่งสมาธิท่านย้อนกลับไปดูว่าท่านเกิดอะไรท่านก็บอกว่าท่านเคยเป็นลูกชาวประมงแล้วเห็นคนหาปลาเนี่ยทำ ตีหัวปล า, ท, าท่านตบมือดีใจว่าจะได้กลิ่นนะอ่ะโอ้ผมก็เลยมานั่งนึกประสบการณ์ของผมไปยินดีอ่ะนี่เวลาเ ร, ราเดินไปตลาดเนี่เห็นมือทุกปลาต้องหันหน้าอ ย, ยู่ถ้าไปสะใจโอ้โมันสร้างอนุนสใสไงแสดงว่าเราโอ้โหสะใจในความเวลวร้ายแบบใช่ไหมมันชอบแบบนะอันนี้อัตมาฟังโยมก็มองอีกแล้วถ้าสังคมไทยเนี่ยชอบความสะใจเนะ ไปไปสร้างอีกเลใช่ไปสร้างอนุสัยอย่างอย่างเวลาเขามานั่งคิดะอย่างวาจาสีเนี่ยเขานีทางกันอยู่เนี่ยโดดวงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะนะพอมา่งเห็นที่เขาด่ากันด่ากันแล้วอีกคนก็เฮ้โอ้โหกี่แสนนะไปเรยกพมาอ่านประตูนี้แล้วบอกว่าโอไม่เอาละเนแล้วาท่านท่านท่านละเอียดและแยบคายมากแยบคายแยบคลาถ้าเราพิจารณาดีๆแค่อกุศลกำหดสินะครตอนแรกก็คิดว่ามีแค่สิบ อ้โห พ, พอไปอ่านโอ้โหตอนนี้ไ อ, อยังมาเยอะเลยนะเนี่ยความลึกซึ้งในคําศาสดาก็น แ, แรก็ไม่เข้าใจว่าอย่างที่ พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าคําของถถาคตเนี่ยมีข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกอยู่และ้วละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาโอ้พอหไข้กลด์ไข้โกวด์วโอ้โหมันใช่เลยจริงไหมฮใช่เลยจริงของท่านเลยนี่นะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยถึงว่าไง ถ้าใครยังไม่ได้เสพพุทธธรรมะพระศาสนามองไม่ออกอะ่ะม้ข้อความลึกเป็นยังไงมีความหมายซึ่งเป็นยังไงแต่พอได้อ่านะ่ะโอโ้ไม่มีใครละเอียดเท่านี้เข้าใจเลย อ, อ, อตอนแรกก็อ่านนะอย่างตันหาเนี่ยเราก็คิดว่ามีแค่ความอยากหรือการมาตันหาภาวะตันหาวิวาตาวาตันหาแต่ท่าลงรายละเอียดของภวะตันหาเนี่ยมีถึงร้อยแป โอ้โหท่านท่านผูกยังไงถึงต้องไปร้อยแปดโอ้โหคำพิการรายละเอียดรายละเอียดแล้วโอ้โหท่านลึกซึ้งมากตันหาสามสามในตาสามในหูสามในจมูกแล้วก็ยังมีเวทนาอยู่นะฮะมีเวทนาเพราะตันหากับเวทนาเขาจะคู่กันถ้าสงสัยนี่คือเวทนาแล้วก็รู้แค่สุขทุกอ่ทุกข์มาสุขท่านบอกว่ามีถึงร้อยแปดโอ้โหจังมากก็นั่งไปแกะไปเรื่อยไปเรื่อยโอ้โหแล้วผมเชื่อว่าทําไมถึง เป็นสับพันยูฮะแล้วท่านก็เปรียบ ว, ว่าเหมือนได้ยุ่งอ่ะมันพันเกี่ยวไปหมดเลยฮะอทิ้งไปแกะแต่ละคําแต่ละคำตอนแรกก็สงสัยฮะยังยังยังค้างอยู่ตัวเองนี้ก็เปิดอ่านตอนแรกอ่านผ่านไปรอบแล้วอาจารย์ก็ตรงไม่ได้ไม่ได้องใส่อะไรปัญหาล่าจ่ก็คือร้อยแปดกลับมาอ่านรอบสองแล้วก็แกะอีกคำหมันร้อยแปดยังไงต้องแกะยังไงจริงจริงมันก็อยู่ในในตัวเราหมดเลยครับเอออืแต่ถ้าถามตอนนี้อธิบายไม่ได้เพราะมันเยอะต้องอ่านใน อยู่ในอริยสัจของพระโภาคต้นครับ อ, อยู่ในวิภาของเวทนาอและเอยดมาครับพระอาจารย์อ่านไปเรื่อยๆสนุกนะคำพุทธเจ้าเนี่ยได้อะไรเรื่อยๆเยอะนะเลาไปใช้ได้ในชีวิตเสร็จนยว่าไงจะกราบขอปรึกษาพระอาจารย์ครับ <c oughs> ดีขณะที่เราขับรถไปนะครับแล้วก็พุทธเจ้าบอกให้มีสมาธิอยู่กับการ ง, งานตรงหน้านะครับก็มีสมาธิอยู่กับการขับรถอยู่ แต่เอิญขณะนั้นเนี่ยมีทําท่าคล้ายๆเหมือนจกกะเกิดอุบัติเหตุแต่เราก็หยุดหยุดทันนะครับอืหรือถูกรถทข้าปาดหน้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นแตะก่อนเนี่ยเราก็จะโกรธอืแล้วก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้นะครับอืแต่คราวนี้เนี่ยเราหยุดหยุดกายก่อนอหยุดกายได้แล้วแล้วก็อยู่กับลหายใจนี่ตอนอยู่กับลมหายใจเนี่ย จิตมันบอกว่าอยู่ลมหายใจแต่อีกจิตนี่มันเต้นตุ๊บๆตุ๊บ ต, บ ต, บตบอยู่เลยครับอ ย, ย่างนี้มันคืออะไระพรัอาจารย์ <ะ S 2> จิตอยู่ลมหายใจแล้วนะครับรู้ล้รู้ตัวแล้วเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกแต่อีกมันไม่ีจิตมันมีจิตอีดวงหนึ่งที่มันไม่ยอมอยู่ครับใช่ธรรมดาก็คือความเคยชินเก่ า, กาๆนะแต่ตอนนี้ความเคยชินเก่ า, กาๆมันกําลังถูกมัดมีองแปดกําลังฆ่าอยู่อใช่ไหมเอาไว้ฆ่าศึกมันดิ้นอยู่มันยังไม่ตาย การเลิกเล่าเรื่องเลยครับโอ้โหแบบสู้กันน่าดูเลยครับรู้สึกเอ๊ะทำไมเราเราู้ลมแล้วทาไมยังจวงมันไม่หยุดอ่าอ่ามันไม่ง่ายไปต้องฝึกบ่อยใช่ไมครับฝึกบ่อยๆนะหรือบางทีพออยู่กับลมปุ๊บแหมด่าในใจซะหน่อยมันเป็นอย่างนี้ครับอยู่ลมแล้วครับใช่ครับออีนี่มป็นไงครับจตกรจำเปนทีมีปฎิกยาออกตอบโต้เยอะเยอะอย่นี้ครับตอนี้หยุดหมดแล้วครับอยู่กับตัวเองแล้วก็ดกนอยู่ใน แต่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่กบลมแล้วยังเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยแบบเวลาเราใกล้จะตายเนี่ยโยมวิทยาศาสตรหรือความคิดต่างๆมันเกิดมาเยอะแช่ไปหมดเลยเนี่ยแหละกําลังตรงเนี้เราจะดึงมาได้ไหมที่จะไม่ให้เนี่ยจิตไปสร้างการเกิดใหม่ต่อไปอ๋อสู้กันตรงนี้เองนะครับใช่สู้กันตรงนี้ยดังนั้นถ้าเราสู้ตรงนี้ได้เนี่ยโยมตอนจะตายก็ง่ายอ๋อมันก็จะสู้ได้ะครับจิตมันจะโอ้โหลุ่มเล้าทุกอย่างเลยครับอนุสัยก็ก่าวมันมาใช่มครัมันจะเคลื่อนออกปุ๊บปุ๊ มีอดีตรัตมุนตีอยู่คน <c oughs> เขาบอกเขาถูกยาฉีดเข้าไปแล้วจะตายนะระหว่างนั้นหมอก็ช่วยปั๊มช่วยอะไรกันใหญ่เขาบอกไอ้เรื่องเก่าๆที่เคยทำเร็วๆมาหมดเลยเนี่ยแล้วจิตมันก็ไปมันห้ามไม่ได้ด้วยเพราะเขาไม่เคยฝึกที่จะละไงอย่างเงี้ยอ่าเป็นอย่างนี้นันเนี่ยเราถึงต้องฝึกไงพระเจ้าจึงบอกอกุศลรเนี่ยโหต้องใช้ความเพียรพยายามทุกวิธีทางที่ละให้ได้ พระอาจารย์เคยบอกว่าใครปกไม่ยอมฝึกแล้วรอไว้ไว้วัดกันตอนนั้เ น, น, นเลยก็อย่าเสี่ยงดีกว่าครบ <c oughs> โบเสี่ยงเสี่ยงก็มีความเสี่ยงสูงเนะียคือต้อง <c oughs> มีโอกาสฝึกได้แล้วฝึกไว้ก่อนกล่าวกับพระคุณครับพระอาจารย์ขอการอีกข้อครับเรียนครับอาจารย์วิธีแก้ปัญหาเมื่อเราอยู่คนพาถ้าเราใช้ปัญญาถูกต้องไหมครับะอาจารย์แต่ถ้า วิธีแก้ปัญหาเมื่ออยู่ในสังคมเวลาเกิดปัญหากับคนรอบข้างครัอาจารย์เขาไม่ชอบเราเขาจ้องจะทําร้ายเราอืให้เราปฏิบัติสมาธิใช่ไหมอาจารย์อูกถูกต้องไหมครับอาจารย์พระพุทธเจ้าครับอแบบนี้ใช่ไหมครับก็ใช่ใช่ก็หนึ่งคือให้หลีกจากคนพาลก่อนแต่ถ้าหลีกไม่ได้เนี่ยให้อยู่ด้วยสติและปัญญาก็คือไม่ไม่ต้องไปมีอารมณ์อะไรต่อ คือทำสมาธิของเราเอง เ, อเราทำสมาธิก็ได้คือสำรวมจิตสำรวมอินทรีย์นั่นเองไม่ต้องพยายามไปแก้ปัญหาอะไรการนิ่งก็เป็นการแก้ปัญหาในตัวเสร็จนะ <laughs> แล้วก็คื อ, ค, อคือมันใช้กับคนพาลแล้วก็มีปัญญาได้ด้วยใช่ไหมอาจารนะฮะใช่อาจารย์ขอโ อ, อกาสค่ะอย่างอันนี้เราเราต้องทิ้งหรือ มีมันใจนั่งคิดงเจ้ากรรมนายเวทเราแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องคิดอาไม่ต้องไปปรุงเลยใช่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวอะไรก็ตามช่างช่างมันช่างมันปล่อยเราสำรวมอินรีเหมือนผู้เจ้าเนี่ยเทวทัตจะมาต่อกอนขนาดไหนก็ตามผู้เจ้าก็สำรวมจิตไว้สงบนิ่งๆภาษาเลยบุตรยักษ์จะมาตีหัวก็นั่งสมาธิไปนะอ่ายักษ์โดนทรอีสู่ไปเองแบบคิดคิดคิดพังว่า เ, เราคงเคยสร้างเหตุแบบนี้มาแล้วนะเราคงเคยทําให้เขาคับแค้นใจหรืออะไรนี้ต้องไม่ต้องอมไม่ต้องเอาธรรมะตรงนี้มาใครก็ <c oughs> คือถ้าเร็วสุดก็คือละนันทิละตั้งไว้ซึ่งกายยกษตาสีก็จะเร็วที่สุดใครควรตรงนั้นก็ได้อยู่นะแต่มันก็ยังช้าอยู่อ่ะถ้าเร็วก็คือโยนทิ้งเลยนะอย่างนี้อาจารย์คะครับขอโอกาสค่ะ อ, อยากจะเสริมนิดนึงก็น่าจะแผ่เมตตาด้วย ด้วยก็ยิ่งดีใช่ไหมคะไปส uh huh. ู่ทั้ง6แต่มันอาจจะทําได้ยากสําสหรับศัตรูของเราอะนะคะแต่ว่าอ น, นิสงฆ์ที่ประสูตรกล่าวไว้ก็คืออ uh huh. นิสงฆ์เมตตาคือเป็นที่รัก uh huh. ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตโ uh huh. ยมเนี่ยศัตรูโดยตรงของโยมไม่มียงแต่ว่าตอนโยมแผ่เมตตาเนี่ยคือเริ่มต้นจากแผ่ให้คนที่เรารักก่อนพ่อแม่ญาติสายโลหิตพี่น้องอะค่ะพอเริ่มเหมือนกับน้อมจิตไปมีเมตตามากขึ้นเนี่ยโยมก็เริ่มแผ่ให้กับคนที่เราไม่ชอบอย่างเช่น นักการเมืองโกงกินบ้างชาติเมืองแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยก็เป็นสัตว์คือเป็นสัตว์ตนางตัวหนึ่งที่มาหลงยึดในขันห้าแล้วก็โดนอวิชชาครอบงําคือเขาอ่ะกำลังทําบาปอกุศลที่ใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อ, อ, อบายทุคติวินิบาดรลบนี่รอเขาอยู่โดยที่เขาไม่รู้ว่า ม, มันน่า ก, กลัวขนาดไหนในหนังสือพระพุทธอ่ะแล้วสยอกมากก็คือพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็จิตก็เริ่มมีเมตตาว่าสงสารเขา ก็วางคือไอ้เรื่องการบ้านการเมืองอะไรตอนนี้โยมก็ไม่สนใจแล้ว้เริ่มมีความษวิจารณ์เหมือนพี่โยมคนนี้คือเอาตัวเราอะให้ดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวที่เอ่อาจารย์เคยพูดถึงคำที่พรเจ้าว่าคือรักษาตนให้ดีเหมือนก็เหมือนรักษาคนอื่นด้วยใช่ <Official. S 2> ใช่ไหมคะใช่ค่ะครับขอบคุณ พ, พระอาะจารย์พี่อาจารย์คะอย่างอังนนี้ค่ะอย่างเวลาที่ความคิดเนี่ยคิด คิดไปถึงคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้ดีไม่ดีก็ตามแต่จิตกําลังคิดแล้วน่ากนั้นก็ลืมกายแล้วถูกไหมคะใช่ใช่ไหมคะถูกต้องเวลาหนูตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีเป็นคิดเออคนนั้นจะมาทัานไหมคนนี้อาจจะสมมุติชวนเออทิ้งที่จิตลืมกายแล้วก้าวถามมาก็นึกออกว่าเออเนี่ยจิตลืมกายลวลืมการดูการเดินนะเอามาจิตมาดูการเดินทิ้งทิ้งไป นี่แหละตงเป๊ะเลยใช่ไหมคะตื่นมาปุ๊บเนี่ยจับลงในใจเลยค่ะอย่างเนี้คือก้าวเท้าเดินออกจากห้องนอนเนี่ยจิตเริ่มคิดทํางานทันดีเลยแต่ก็เห็นว่าเนี่ยคิดไปอีกละจิตไปอีกละก็คือทิ้งเนี่ยแต่แต่ก่อนเราจะไม่เห็นนห็นะหแต่พอมาฝึกเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าโอ้ยคิดเยอะมากนี่ไปไหนก็คิดตลอดเลยเรื่องอะไรคนอื่นจะดีไม่ดีอันนี้ก็คิดละใช่ไหมคะจิตลืมกายละถึงจะเป็นห่วงเป็นใยใครก็ตามก็จิตลืมกายละใช่คใช่อืม เริ่มฉลาดในวาระจิตของตนแล้วเนี่ยนี <laughs> ่เราจะเห็นหมดจิตทำงานยัางไงานะไปไหนนะมันเริ่มวไยไงแต่ก่อนไม่รู้หรอกนะคิดอะไรเราก็เป็นสิ่งนั้นไปเลย <laughs> บ่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวยงขอแสดงศาสนาอีกเรื่องหนึ่งพอดีที่โยงข้างหลังนะคะพูดถึงเรื่องขับรถแล้วมาโหแล้วก็ขับมาที่ลมเนี่ย คือในเรื่องของความโมโหหรือความเศร้าโศกความพัดพลาดเนี่ยร้านอันที่แล้วกับอันที่ลมเนี่ยก็ใช้ได้หมด น, น, นะคะแต่ว่าที่บอกว่าจิตมันเหมือนกับใจตื่นอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือโยมก็เข้าใจว่าจิตเนี่ยเกิดดับเร็วมากคือโยมมันต้นเดินคุ้มพาที่โยมพาพาแม่ของโยมมารักษาอุบสถแต่ประการถึงสิบแปดที่บอกว่าสุนัขตุ้งเล็ที่บ้านตา ย, ยมาสิบห้าปีแเราก็แบบหูกพันมีตนหนักปัญหาที่เขาเป็นเหมือนลูกเป็นหลานเราแล้ว สองคนกับแม่ก็แบบล้านนันทีแล้วแบบมันก็บางทีก็ไปเห็นผ้าขนหนูเขาชามอาหงอาหารบางทีก็ยังหลงเหลือว่ามันก็จะเกิดสัญญาสังขารอะไรในขันห้าย้อนเลือมันก็จะปรุงแต่งขึ้นมาก็บางทีก็ต้อนขึ้นมาจุกคอแล้วกําลังจะร้องไห้แล้วก็รีบรับรับนันทีกลับมาที่ลมทีนี้มันก็จะกลับไปจุกที่คอแบบจะร้องเพรับนันทีอีกสู่ไปซุ้มาตอนหลังก็แบบจะมาทำมากจะยาบมากขึ้นแล้วก็จางหาย อก็ค่ให้ดับไปมันมัจะฟงมูชันเสียใจเสียใจอยู่อย่างนี้มันก็มันก็ไม่มันไม่เป็นมันเป็นอนิจจามันอยู่คงที่ไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะก็มันจะเหมือนมีจิตสองดวงจริงๆไม่ใช่มันเกิดดับเร็วมากใช่ใช่นั่นแหละคุณค่ะอาจารย์เนี่ยมักเริ่มค่ากี่เลยมีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเข้าไปปลูกพันไปโพพันอยู่กับความอะไรอารวณปุ๊บอนาปานิฆ่าได้หมดน่ะ พิจาาบอกจเลนอนาปาณสติเนี่ยดับอกุศลวิตตกทุกทิศทางที่มานะมักวิธีง่ายๆเลยนะคิดอะไรไม่ออกเนี่ยรู้ลมหายใจไว้ก่อนอี่คำถามเสาข้ามเหลือนี่นี่คนนี้จากกรุงเทพเขาบอกให้จิตอยู่กายตลอดนนี้ถูกต้องนะี ผู้เจ้ปกอบกายยกตาสติอัญชนเราใดไม่หลงลืมอมาตะ ก, ก็ชื่ออนชนเหลนั้นไม่หลงลืมนะเขบอกรูปปราคา่ะรู ป, ปราคะก็คือตัวกล่องสมาธิระดับรู ป, ปรสัญญากับรูปรสัญญาเนี่ยที่เราพอใจกับสิ่งนั้นจากรยองมีพระลูกหนึ่งสอนเรื่องวิปัสนาให้เราเฝ้าดูความรู้สึกล้อนเย็นอ่อนแข็งตึงไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คําสาวกที่ชอบพูดกันเรื่อยๆนะ จากนครสีธรรมละจิตประพัดสอนคือจิตเด็มแท้ใช่หรือไม่ <c oughs> จิตอันนี้ไม่ไม่ใช่นะคําว่าจิตประพัดสอนในค่อนข้างกว้างนะจะคล้ายๆกับคําคว่าสุญญตาเลยเนะี่ยก็เจอทั้งที่ใช้ในจิตในอสมาธิแบบขั้นต่างๆนะนั่นเขาบอกวิมุติทําไมต้องเผลอมาหลงนะมันเป็นเรื่องของสิ่งสิ่งหนึ่งที่ ขณะมีอวิชชาหรือไม่มีนะจากเช่งใหม่วิมุตคืออะไรก็คือตัวความหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากตัวขันท่านั่นเองนะไม่เข้าวิมุตจะปลาลกทำอะไรอีกไม่มีอะไรนะจากกุลทิดา USA นะิวเจอร์ซีย์ส่งขอส่งความคืบหน้าของการกระจายพุทธศาสนาแถบอเมริกา ทางน e w j จ r s e ซีนิวยอร์กอ๋อวันนั้นถางพอดีว่าทาง New York, นิวยอร์กเงียบเงียบไปมีแต่ทางแคลิฟอร์เนียนะอันนี้ยมคุณทิดาก็ส่งมาบอกณนะตอนนี้มีแค่สองคนคือตัวเองและลุ่นน้องอีกคนหนึ่งในแถบนี้นะยมพยายามกระจายพุทธวจนะแล้วแต่ดูเหมือนกำลังไม่พอเพราะคนเดียวแถมทุนน้อยอีกเพราะติดต่อการพิมพ์แพงมากแค่แผ่นพัท อ๋อขอมาได้บอกที่อยู่มาเดี๋ยวจะส่งไปให้นะไม่มีปัญหานะแต่ยมก็ได้พยายามติดต่อ <c oughs> หาคนสนับสนุนที่เขามีแรงเยอะ ก, กว่ากว้างขวางกว่าติดต่อได้สองสามคนแต่ไม่มีใครสนใจเท่าไรเพราะเขายังไม่เข้าใจมากนะักทั้งที่เราก็ได้พยายามอธิบายแล้วถึงความเป็นมาของพุทธวิชชนาะ แต่ก็รับปากว่าจะสนับสนุนยมก็เลยอธิษฐานว่าขอให้พบผู้สนใจจริงจังเถิดและได้ทำใจว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยและยมก็ได้ปฏิบัติภาวนาทุกวันไม่ขาดจนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ยินก็ได้คิดว่าร้านขายของชำไทยน่าจะมีหนังสือพิมพ์ไทยที่เขาแจกฟรีวางอยู่บ้างก็ได้ว่าไปซื้อของ หนังสือเหลือเล่มสุดท้ายตั้งแต่ปีที่แล้วเลยโทรไปหาบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทยก็ถามเขาว่าพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่แจกฟรีที่ไหนเขาถามจะพิมพ์อะไรต้องพิมพ์ทีมากมากยอมบอกไม่มากเป็นหมื่นหรอกแต่มีปัญหาคือมันยาวไปนิดหน้ากระดาษต้องใช้เครื่องใหญ่ แพงถ้าย่อตัวก็ตัวเล็กเกินไปคนมีอยุอ่านไม่ค่อยเห็นเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ส่งแผ่นพับไปให้ดูเขาจะก๊อปปี้ลงหนังสือพิมพ์ให้ถ้าหน้ากระดาษพอยมเลยส่งแผ่นพับและแถมอินทรีสังวรไปให้วันนี้ก็หวังแต่ว่าเขาคงช่วยได้จะได้แพร่ทางหนังสือพิมพ์หาวิธีแทงจนได้นะ ส่วนแผนซีดีรอของอีกวันสองวันคงได้ก๊อปปี้เพิ่มอีกจะได้ทันแจกวันสงกรานวิสาขางเร็วๆนี้แล้วจะรายงานพระอาจารย์เป็นระยะระยะ่อมมั่นใจว่าต้องเจอโรงพิมพ์ที่สนับสนุนเราเร็วๆนี้ด้วยบา ร, รมีของพระ ต, ตาคตนะก็ดีขอให้ประสบผลสำเร็จแต่ระยะต้นๆก็ขอจากที่นี่มาก่อนได้นะ แจ้งที่อยู่มาก็ได้วันหยุดที่วัดมีกล้องมาถ่ายให้เห็นบรรยากาศภายในวัดผู้เขียนเห็นว่า ด, ดีมากเพราะได้เห็นคนที่ไปวัดและได้เห็นเพื่อนกันที่ไปวัดด้วยนะวงเล็บเห็นผ่านหน้าจอเป็นเพื่อนกินนอนเที่ยวอยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้เลยว่าต่างคนต่างศึกษาพุทธศาสนาเราไม่เคยพูดถึงความเชื่อความศรัทธาของตนเวลาพูดกับ คนอื่นให้ศึกษาพุทธวจนะจะโดนว่าเราว่าว่าเราเป็นลัทธิใหม่ว่าเราเป็นคนแปลกแยกและไม่อยากพูดในกลุ่มเพื่อนเพราะรู้ว่าเพื่อนก็จะว่าเราแบบนั้นเหมือนกันพอเห็นเพื่อนหน้าจอดีใจมากโทรหากันคุยกันได้เลยรู้สึกโล่งใจอย่างน้อยเรามีแนวร่วมแล้วนี่ก็จาก ประเทศต่างๆส่งมาจากกทมทราบว่าเวลาเทวดามาดิดพินก่อนผู้เจ้าเป็นเรื่องแต่งใหม่หรือมีในพระสูตรนะอันนี้เรื่องเรื่องพินจะมีแต่เรื่องของพระสนะนะที่พูเจ้าไปสอนให้เดินบนเส้นทางสายกลางจากเชียงใหม่อานาปานสิทธิ์ในขณะที่ไม่สบาย ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะท่านผู้เจ้กเาก็บอกอาพาธจะรงับไปตามควรแก่ฐานะเป็นหนึ่งในธรรมที่ให้ไปสอนกับพระคลิมนมณนนะที่ให้พระนนท์จำไปจากอลลไทยมาเลเซียยมดูพระอาจารย์ทางยูทู e ตลอดเกือบปีแล้วรู้สึกซาบซซิงตื้นตันใจในคำของพระศาสดาอย่างมากตอนนี้ความเชื่อผิดๆเลิกหมดแล้วจะทาตามพระศาสดาอย่างเคร่งครัด ยมบอกแม่แต่แม่บอกว่าไม่ต้องเคร่งมากก็ได้ลูก <laughs> <laughs> แต่ยมว่าไม่เคร่งไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้โสดาบันใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ใช่ต้องเอาโสดาบันไว้ก่อนต้องชักชวนแม่ให้ได้เลยนะจะดีมากเลยยมตั้งใจว่าชานี้ขอแต่โสดาบันก่อนตายคิดถูกแล้วใช่ไหมถูกเลยนะทุกจ้าบอกประเสริฐยิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกนะ จากเชียงใหม่กาจัดความรู้สึกนะทางการนั้นยากมากขอรับพอเห็นรูปตามันก็พอใจทันทีต้องดึงจิตกลับมาให้เร็วมันรู้สึกฝืนจังเลยนะแล้วอาจารย์ช่วยบรรยายธทมที่ทําให้ไม่พอใจในเสียงที่คนพูดดังใส่มันทําให้ไม่พอใจแล้วโกรธเวลาที่คนพูดเสียงดังก่มกู แล้วเกี่ยวกับเรื่องมารมาล ก, กวนขจัดมารไม่ให้มารล ก, กวนได้อย่างไรนะอ๋อก็อน า, าป่าแก้ได้ทุกเรื่องนะแต่ขณะที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยนะก็บอกฟังทำแล้วรู้อยู่แต่เจอจังจก็ระ ง, งับไม่ได้ก็ธรรมดาไม่ใช่ว่าปฏิบัติปุ๊บมันระ ง, งับได้ทันทีไม่งั้นคนก็เป็นประหลานกันวันเดียวกันหมด น, นะนะก็ต้องใช้เวลาค่อยๆทำนะ จากสวยเลยเก่งสาธรยมเห็นดอกบัวยมเห็นดอกบัวพื้นที่ด้านหลังะ้าจารย์สีชมพูมีความหมายอย่างไรกับชาวพุทธสวยงามมากมีความประสงค์อยากน่าจะหาซื้อได้ที่ไหนอ๋ออันใช่อันนี้ปะอันนี้ก็บัวสามเหล่านะที่เขาสร้างมาก็เพื่อให้ให้เหมือนกับพระสูตรและข้างใน ใต้น้ำนะมีใต้น้ำปลิม น, น้ำแล้วก็พ้นน้ำนะอันนี้ที่ร้าน B s h อ p ตรงนี้นะก็ทำก็นะเอางุกกำไรต่างๆต้นทุนต่างๆเนะี่ยรายได้ที่ได้ให้กับทางวัดนะก็ผลิตนะสินค้ามาเพื่อสื่อนะสินค้าตามพระสูตรต่างๆนะก็ทำกัน แนวคิดออกมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็คิดผลิตเรื่องบัวสามเหล่าขึ้นมานี่ก็ใช้ใช้เหมือนกับเรซินมันเลยเหมือนน้ำนะแต่เทไม่หกนะ ม, มันเป็นก้อนแข็งละนะก็เห็นว่าทาก็ว่าแตกไปหลายใบเหมือนกันมันมันร้อนเรซินเทวไปมันร้อนมันก็แตกกว่าจะได้แต่ละใบก็ยากอยู่นะนะมีใบใหญ่ใบเล็กนะก็ลอง ไปติดต่อดูเอานะ <c oughs> นี่ก็เห็นว่าหลายๆคนอย่างในบุ๊ดดอนเน็ตเราก็จะเห็นว่าที่บ้านก็ทําเป็นกระถางบัวสามเหล่านะาเป็นอ่างเหมือนอบ้านบางบ้านมีอ่างเลี้ยงปลาข้างหน้านะที่วันนั้นขึ้นในค่ำวันเสาร์ <c oughs> นี่ก็มีตัวนี้ก็มีกนละ่องกล่องหนังสือ นี้ก็สามารถใส่ชุดสิบเล่มหรือสิบเอ็ดเล่มได้นะอันนี้ไว้ที่โต๊ะของผู้เบิหารก็ได้นะ เ, เวลาใครมาก็ได้ชักชวนได้ตลอดนะนะคุ้มทรัพย์จากพระโอตนะ เ, เปิดธรรมที่ถูกปิดแง้มให้ก็ดูเปิดธรรมที่ถูกปิดปิดมานานเนี่ยเปิดซะหน่อยนะอ่า แล้วก็เราจะได้แนะนำแล้วมีข้อมูลต่างๆครบถ้วนหมดอาจารย์คะร้านมีช็อปนี่มีปลอกหมอนพุทธวัจนะด้วยค่ะโยมก็ซื้อปลอกหมอนพุทธวัจนะแล้วว่าโยมก็ซื้อไปหาใส่ตอนนี้บ้ามากปลอกหมอนก็ป่นจะนอนก็โอ้โหเทวตนะระลึกถึงพระโกามศสสดาใช่ก็ใส่พระสูตรไว้ว่า เมื่อจิตน้อมไปเพื่อการนอนเนี่ยเราก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าจิตเราเนี่ยจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงและน้อมจิตไปเพื่อการนอนในพะสดุต่างๆเหล่าเนี้ยก็จะเอามาคิดเป็นอผลิตภัณฑ์ต่างๆโปรดักต่ตางๆนะอค่อยๆออกไอเดียแนวคิดกันมาเมื่ อ, อคืนตอนทำสมาธิอยู่ๆก็คิดถึงว่าอยากทำเซมซีแต่ว่า ไม้เซมซีที่ตกมาก็เป็นพุทธวจนะแต่ละข้อเป็นพระสุขสมมุติว่าอธิษาสมบูาทบเด็กเล่นนะคะเขโดกลงมาป้องเปิดเปิดมาอะไรอ่ะพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยที่นีคิดอยู่ค่ะแล้วผงเดี๋ยวจะทำเป็นกระบอกไม้ไผยค่ะให้สำหรับเยาวชนนะคะที่ประกวดอะออเนี่ย ก็อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาน ะ, ะจากสมุทสาครวันเพ็ญทราบแล้วว่าการตอบแทนพ่อแม่ที่ดีที่สุดคือการให้ท่านได้ฟังธรรมของตาตากดเพื่อให้ท่านเป็นผู้มีสมาธิโยมตัวโยมเองก็ได้พยายามอยู่มาเป็นเวลานับ10ปีแล้วจึงโน้มน้าวพ่อแม่ให้มีสมาธิธ แต่ดูเหมือนท่านจะไม่มีความก้าวหน้าในธรรมยมเคยฟังพระอาจารย์ตอบลูกหลายๆคนที่ถามขึ้นในคําถามนี้บ่อยๆว่าให้พยายามต่อไปคนบางคนเราได้แต่บอกเขาจะทําตามหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่เขาหรือบางคนมีนิสัยโน้มไปในทางโลกไม่ชอบฟังอริยสัจธรรมก็เลยสงสัยว่าถ้าพ่อแม่ไม่มีสมาธิธิจะถือว่าเป็นบาปติดตัวลูกไปไหม ก็ไม่ไม่เกี่ยวนะก็เป็นเรื่องของเขานี่เป็นการตอบแทนบุญคุณเท่านั้นถ้าเราตอบแทนแล้วท่านก็ไม่รับก็คือท่านยังมีทุลีในดวงตามากอยู่นะนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยของท่านเอง <c oughs> พ่อแม่ที่ขี้น้อยใจคิดมากในคําพูดที่ลูกมีเจตนาจะตักเตือนเกี่ยวกับนิสัยที่ไม่ดีของท่านแล้วท่านเกิดไปฆ่าตัวตายใช่ความผิดของลูกหรือเป็นอนตริกรรมหรือไม่ ไม่น่าจะเกี่ยวนะเราไม่ได้บอกให้เข้าไปตายอย่างพระเนี่ยถ้าบอกให้เข้าไปตายแล้วเขาไปตายจริงเนี่ยพระอาบัติปรารชิกด้วยนะขาดใจความเป็นพระนะนั้นพระเนี่ยคําพูดเนี่ยต้องระวังมากนะอาจะพูดจะไล่ให้คนคนนี้ไปตายแล้วเขาเชื่อเกิดเขาเชื่อจริงแล้วเขาไปตายจริงพ ร, ร, ร, ระอันนะี้จะต้องปรารชิกนะอ่าต้องที่างคนเขาสัตยตายเขาพูดอะไรเขาเชื่อไงนะอืก็ต้องระวังคําพูดจากพบพระจังหวัดตาก ผมอยากถามเรื่องการบูชาพระธาตุของครูบาอาจารย์เราควรทำหรือไม่สำหรับผมเคยมีแต่ได้สละไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ที่วัดจะผิดหรือไม่และจริงๆแล้วเรื่องพระธาตุของพระเราควรทำเช่นไรนะก็คือ <c oughs> ถ้าสีดินน้ำไฟลมหรือว่ากันธาตุอายตนะใดๆในโลกเนี่ยพระเจ้าให้ละให้ทิ้งให้หมดนะไม่ให้ยึดถือ การที่เราไปมีจิตผูกพันในเรื่องใดเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราเกิดได้ทั้งนั้นมันจะทำให้เราต้องสร้างภพใหม่ต่อไปการเข้าไปคารพบบูชาในสิ่งเนี้ยจะมีอยู่ประสูตรหนึ่งที่ตรองค์จัดเกี่ยวกับเรื่องของถูปาราบุคคลบุคคลผู้สมควรทำสถูภัยนะก็คืออันตสสมาสัมพุท้าพระปัจเจกปุจ้านะแล้วก็ตถาคตาสาวกโกสาวกของตถาคต บุคคลที่4คือพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าเขาเป็นบุคคล4ี่บุคคลเนี่ย <c oughs> ก็สมควรทําสถูปให้นะสถูปก็อ่าเป็นลักษณะอย่างไรก็ไม่ได้มีบอกรายละเอียดไว้อาจจะเป็นเนินดินเป็นเจดีเป็นอะไรอย่างนี้ในที่ที่เราเผาศรีละของเขาอย่างนี้ดัง น, นั้นถ้าเราจะเก็บเนี่ยก็เก็บไว้ได้ในฐานะที่เขาเป็นถูปราระหบบุคคลก็ดูว่า เขาเป็นตถาคตาสาวกโก้ไมเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาไม้รักษาสินห้าหรืออุโบสถ8 ป, ประการหรือไม่อันนั้นเราก็เก็บได้นะและการการระลึกถึงเนี่ยนะระลึกถึงในคุณความดีของเขาเหมือนเทเทวตานุสติเนี่ยระลึกถึงเทวดาผู้เจ้าให้ร ะ, ะลึกถึงอย่างไรบอกว่าศรัทธาใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธานั้นเราก็มีศินใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศินนั้นเราก็มีนะอ่า ความเพียรใดที่ทําให้เข้าไปเป็นเทวดาความเพียร น, นั้นเราก็มีดังนั้นถูปาน่าบุคคลเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าพระองค์อาศัยอํานาจแห่งประโยชน์อะไรนะจึงบัญญัติในเรื่องนี้ก็คือคนที่เข้ามาถึงสถู ข, ของ4บุคคลนี้แล้วเนี่ยจิตจักเรื่องใสเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้นะเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเขาสร้างเหตุปัจจัยอะไรทําไมถึงต้องมีคนทําเจดีย์ให้เขาอ๋อเขาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋อเขาเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคต ก็มีคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะได้เดินตามบ้างอย่างนี้นะนี่เป็นแง่งมุมอย่างนี้แต่ไม่ใช่คิดว่าก้อนท่านั้นเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าข่ายมิจฉ า, าทิฏฐินะแบบที่หนึ่งว่ากรรมและสุขทุกขเกิดจากผู้อื่นบันดาลเราจะเกิดการอ้อนวอนบน บ, นบานสัรกล่าวกับสิ่งเหล่านี้นะดังนั้นการเก็บเอาไว้มันก็เป็นอย่างนี้คือ เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่เข้าใจั้นเราก็ต้องสอนให้ละเอียดนะอย่างนครสวรรค์เนี่ยอยากทราบว่าบริจาค ร, ร่างกายมีกล่าวไว้ไหมในพุทธศสนะก็ไม่มีนะพเจ้าให้ไม่ฆ่าสัตว์นะการบริจาค ร, ร่างกายถือว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหรือไม่ก็พระองค์ไม่ได้แนะนำเอาไว้นะอ่า เหมือนปล่อยนกปล่ยปลา อ, อะไรเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำเพียงแต่เราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ ร, รักษาศินข้อที่หนึ่งเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณแล้วไม่ต้องไปวิ่งปล่อยอะไรก็ได้จากชุนบุรีจะปฏิบัติอย่างไรกับสารพบกุมที่อยู่ในหัวบ้านนะหลายคนก็งัดออกไปแล้วก็เยอะนะหรือว่านะถอนออกไปบางคนก็ทำเป็นที่ทำสมาธินะวัยหนังสือธรรมะนะ เอาไว้ให้คนในโรงงานในบริษัทได้นั่งสมาธิภาวนาที่นั่น <c oughs> จากเชิงใหม่คนมีฤทธ์ไปทำร้านอาหารไปทำร้านคนอื่นแสดงว่าคนไม่ดีไม่ไม่มีสินมีฤทธ์ด้วยหรือครับแล้วมีเรื่องกล่าวในฤทธ์เพียงไรสาหรับคนไม่ดีมีฤทธ์อ๋อคือ <c oughs> ยังลกความโลภโกรธหลงไม่ได้เหมือนฤาษีโยคีในครั้งก่อนก็ละละกามได้นะ่มีจิตสงบเย็นในภายในและสามารถทำฤทธิ์ได้นะ่ะซึ่งทำมาได้ก่อนที่พูะเจ้าจะตรัสรู้แล้วนะแต่ก็ยังละความโลภโกรธหลงไม่ได้นะืะนั่นตรงนี้มันก็คนละส่วนกันคนที่มีฤทธิ์เหมือนเทวดาก็มีฤทธิ์นะ มีอิทธิปาฏิหารแต่ก็ยังไม่พ้นนรกก็เนืดเดชานเปรตวิสัยไม่พ้นสังสารเพราะยังละความโลภ ก, กดหลงไม่ได้เทวดาก็เลยลบปลาข้าฟันกันก็มีนะจอมเทพก็ต้องมาถามผู้เจ้าว่าทํำยังไงดีเทวดามันทะเลาะกัน <c oughs> แก้ไขปัรหายังไงนะถามเหตุแห่งการทะเลาะบอกแหวนผู้เจ้าก็บอกเรื่องของความอิจฉากันความเจ้าหนีแล้วก็บอกว่าเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักให้แก้ตรงนี้นะ จากเชียงใหม่พระหลานคือผู้ที่ดับกรรมของตนเองได้ใช่หรือไม่ใช่เข้าถึงความดับกรรมได้แล้วถ้าใช่แสดงว่าผู้เสมเด็พระหลานผู้นั้นก็แก้กรรมได้ใช่หรือไม่ผู้เจ้าเรียกกรรมมณีโรธนะกรรมมณีโรท่าขาไม่มีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เลยแห่งกรรมนะก็คือไม่ได้จริงๆไม่ได้ไปแก้อะไรหรอกแต่ถอนความยึดมั่นออกจากระบบของกรรม นรับผู้เจ้าก่อนปรินิพพานได้ใช้ให้พระสาวกไปตักน้ำไม้ฉันแต่น้ําขุ่นพระโมคคานะโดนจนห้าร้อยข้านี้เป็นเหตุแห่งกรรมใช่หรือไม่เหตุใดกรรมนั้นไม่หมดไปก็กายนี้เป็นกรรมเก่านะตัวนี้ไม่ใช่ตัวผู้เจ้าไม่ใช่ตัวโมคคานะแต่เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ําไฟลมนะต้องแยกแยะให้ถูกนะการที่เจริญมัทยมแปดแก้กรรมได้นั้นเป็นอย่างไร นะมีข้องดเป็นหรือไมนะ่ไม่มีเลยมักแปดแก้ได้ทุกเรื่องเป็นวิธีเข้าถึงความดับไม่เลยแห่งกรรมจากบ้านใหม่หมอกจามนะนะกรรมที่เราทำไปแล้วนั้นจะขออโหสิแล้วมันจะได้ผลใหม่อโหสเิเราใช้ในความหมายที่ผิดอโหสิแปลว่าได้มีได้เป็นนะไม่ได้เกี่ยวกับการ เลิกแล้วต่อการอะไรอย่างนี้พูุ้ทธเจ้าจะใช้คำว่าอาภัยอภัยทานอาเวรทานการให้อภัยการไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทจากลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียอินซีศีลาสกิทาคามีกับโสดาบันเกิดอีกชาติเดียวเท่ากันต่างกันอย่างไรที่เจอก็คือโสดาบันเนี่ย <c oughs> มีสารกลุ่ม เกิดเคราวเทวดาบ้างมนุษย์บ้าง 2-3 คราวก็คือกลับมาสู่สกุล 2-3 งถึาคราวตระกูลของมนุษย์แล้วก็พวกที่คราวเดียวก็คือกลับมาสู่ภพมนุษย์คราวเดียวนะมีกำ ว, ว่ภพแล้วก็มนุษย์นะส่วนสกาธาคามีเนี่ยนะกลับไปสู่เทวดานะเทวโลกอีกคราวเดียวนะแล้วก็ปณิธานซึ่งจะเจออีกมากมายใน เทวดาในชั้นต่างๆที่ปรินิพานในพบนั้นหรือสร้างเหตุปัจจัยก็คือข้าวชั้นสี่หนึ่งสองสามสี่ได้ได้สด <c oughs> ับในธรรมไปเป็นเทวดาสี่ชั้นแล้วก็ปรินิพานเจริญเมตตานะได้สะดับในธรรมปปกัลณ น, นะ น, รรนามุธิตาอุเบกขาไปเกิดเป็นเทวดาสี่ชั้นปรินิพานพบนั้นน ะ, ะแล้วก็ถ้า เก้าฌานสี่หรือจเจริญเมตตาเห็นเกิดดับจะไปเกิดในสุทาวาสซึ่งไม่นึ่งด้วยปุถุชนก็จะมีหลายอันนี่ความต่างกันนิดหนึง่งข้อ4ี่มุสาปัจจุบันยังมีครูอาจารย์บางท่านสอนว่าต้องไม่พูดเท็จคำหยาบส่อสิทธิ์เพื่อเจอครบสูตรอ๋อไม่เกี่ยวกันท่านต้องให้ท่านมาดูคำพระศาสดามุสาก็คือมุสา คำหยาเพื่อจอสอนเสียดอยู่ในสัมมาวาจาละเอียดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโสดาบันเอาแค่มูสานะหรือโสดาบันครบทั้งสี่ข้อก็คือจะเว้นพระองค์จะเว้นข้อสุลาแต่มาเพิ่มข้อสัมมาวาจาให้ครบสีข้อแล้วมันคงในพระคุณพระธรรมสงฆ์นี่ก็เป็นโสดาบันชี้แจงอย่างไรดีพยายามแค่พยายามไม่พูดเท็จอย่างเดียวร้อเอร์เตก็ยากมากแล้วก็คือชี้แจงว่าพระศาสนา พ, พูดอย่างนี้ ถ้าเขามีศรัทธาในพระศัสดาเขาก็จะเชื่อว่าพระศัสดาเป็นคนบัญญัติเกณฑ์ตรงนี้ไว้เขาเนี่ยบัญญัติเองไม่ได้ความเชื่อของเขาเออกมาจากไหนต้องถามความเชื่อเขาเาฉะนั้นความเชื่อเขาที่เอามาจากครูอาจารย์ที่สืบทอดต่อกันมาเนี่ยของเราเก่ากว่านะของเราสรืบทอดมาถูกต้องกว่าคำที่พูดก็หาพระสูตรไม่ได้ตรงนี้เพราะฉะ น, นั้นเราก็เอาตามที่ผู้เจ้าตัดไป เราสามารถศึกษาปฏิจจสุวัตจากแผนภาพวงจรรูปยักษ์ที่ได้เดียวมาจากมหายาณได้หรือ ไ, ไม่ไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องต้อ ง, องทิ้งไปเลยคนละเรื่องเลยนะอย่าไปเขียนอะไรแต่งขึ้นมาใหม่มันมันก็จะมีข้อผิดพลาดเรื่อยๆมีคนถามเรื่องนี้มาหลายอันในเรื่องของอุปมาแม่คลอดลูกบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างซึ่งมันใช้ไม่ได้ทั้งหมด เป็นคำเขาไม่ได้ใช้พุทธเจ้เต็มที่มันแต่งใหม่จากร้อยเอ็ดได้ดาวโหลดหนังสือไปอ่านและศึกษาดูรู้สึกเริ่มใสยเป็นอย่างมากแต่ได้เกิดความสงสัยในมัรคพิธีง่ายนะปฏิปทาคนเจ็บไขนะ้ทางวราภิกษุไข้ที่อ้างมาจากอันเดียวกันแต่ข้อความต่างกันนะยินถามพระอาจารย์ว่าได้ใช้ทั้งสองแบบหรือแบบใดถูกต้อง อ๋อเน็ต ท, ที่วัดเพิ่งติดตั้งปัญหายยังมีอยู่มากเพราะวัดไกลตัวอำเภออ๋อเดี๋ยวไว้ตอบไปให้อันนี้มันมีอสองอันคือปฏิปทาของคนเจ็บไข้กับอ่ <c oughs> กับอีกอันหนึง่งสำหรับบุคคลทั่วไปนะซึ่งมันจะเหมือนกันหมดเลยมันต่างกันที่ข้อที่5ข้อเดียวนะอันนี้ก็อันหนึง่งจากอังกฤษ อยากขอพระอาจารย์อธิบายวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาที่เกิดในสมาธิตามพุทธศาสนะอาการเป็นอย่างไรอันนี้ไปดูดีวดีเองดีไหมนะว่าอธิบายก็ยาวน ะ, ะตัววิตกวิจารได้อธิบายไ้เยอะอยู่จากปราจินบุรีพระสามารถพระสามารถฉันกาแฟทรีอินวันนอกเวลาได้ไหมก็ได้อยู่นะถ้าไม่มีส่วนผสมของอาหารนะ จากสิงคโปร์การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นจำเป็นต้องสวดด้วยไหมนะผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติทำวัดเวลาเช้ากับเวลาเย็นบัญญัติการสัจชายะคือสาธยายคำของพระองค์ซึ่งจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราสะดวกเช้าเย็นก็ได้เราสะดวกกลางวันก็ได้นะขอให้เป็นคำผู้เจ้าและกันจากสิงบุรียมากะปฏิหารเป็นพุทธเจนะ้หรือคำแต่งใหม่เท่าที่ราพระองค์รู้สึกอดักขยะขยังต่อยที่ปฏิหาร มีการสืบค้นมาแล้วมั้งยวกาศเนี่ยะมีไหมอืมก็ลังไปสืบค้นดูเนาะยังไม่ได้เช็คเหมือนกันก็ได้ยินมาว่ามีการแสดงตรงนี้อยู่นะแต่ยังไม่ได้ดูให้ละเอียดนะเดี๋ยวดูแล้วได้ยังไงเราจะแจ้งให้ทราบแล้กันนี่จากสิงบุรีจากมาเลเซีย <c oughs> น้าพระธรรมมีด้วยหรือ แม่บอกอยู่พิษณุโลกเป็นวัดโยมบอกแม่ไม่ต้องไปหลอกให้รักษาศีลทำสมาธิอยู่นั่นแหละสุดยอดแล้วแม่ไม่พอใจที่โยมไม่เชื่อเก่าแต่โยมเชื่อพระเจ้าว่าไม่มีน้ําศักดิ์สิทธิ์บรรดาลอะไรได้เชื่อว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบรรดาลอ๋ออันนี้ก็ก็ถูกต้องไม่มีใครบรรดาลแต่เราค่อยๆ อ, อธิบายรายละเอียดให้คุณแม่ฟังคุณแม่ต้องเข้าใจได้ อันนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีเพื่อจะหยุบหยิบยกคำของผู้เจ้าเนี่ยไปที่ปายให้ให้ได้นะจากเชียงใหม่ในพระธริดกนะพะุทธเจ้าของผู้เจ้ามีการกล่าวถึงพระศีลัยะิตตตาบ้างหรือไม่ อ, อ๋อมีเหมือนกันผู้เจ้าบอกเป็นผู้เจ้านามว่าเมตเตยะจะมาตรัสรู้เมื่อมนุษย์อายุถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งนะช่วงนี้มนุษย์อายุ100ปีแล้วจะลดลงมาเหลือ10ปี และจะเกิดการฆ่าการตายตลอดเกือบทั้งโลกแล้วเหลือคนอีกเล็กน้อยจะฟื้นฟูสินธรรมขึ้นไปใหม่จนมนุษย์อายุยืนถึงแปดหมืนปีครั้งหนึ่งซึ่งไม่ต่ำกว่าเก้าสิบเ็ดกับนี่อีกนานมากอีกหลายล้านล้านล้านล้า น, า น, า น, านปีนี่แล้วก็ผู้เจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้อย่างนี้ <c oughs> ชื่อเมตไยยะ <c oughs> <c oughs> จากรปทุมธานี ผมฟังพระอาจารย์ตอบคำถามช่วงบ่ายกับสตรีท่านหนึ่งซึ่งอาชีพรับเหมาก่อสร้างสต ร, สรีท่านนี้ถามอาจารย์ว่ารับจ้างงานกับต่างศาสนาสมควรหรือไม่อย่างไร<ม>อ๋อรับเหมางานจากของผู้จ้างที่นับถือศาสนาอื่นมันเป็นเรื่องไม่ดีอย่างไรเราก็ประกอบ อ, อาชีพสุจริตและถูกต้องไม่เบียดเบียนใครไม่โกงไม่เอาเปรียบ นะทําไปก็เพราะเป็นอาชีพไม่ได้ทําไปแล้วจะสนับสนุนหรือนับถือศาสนาตามผู้จ้างนะก็สมมติเรารับจ้างไปสร้างโบสถ์ให้เขานะสร้างวัดให้เขาอย่างนี้เราก็สร้างอย่างดีเลยเรากอา็อันนี้แล้วแต่คนจะพิจารณาการกระทำเนี่ยเหมือนกับเราให้ทานกับพระที่ทุศิล์เหมือนกันก ให้ทานกับพระทุศินนะถามว่าเราได้บุญไ้ยก็ได้นะ่มีความปิติใจมีความสุขใจแต่ผลกระทบต่อศาสนามีไหมมีพระทุศินจะเติบโตขึ้นงอกงามขึ้นหรือผู้เจ้าก็บอกว่าการไปบำรุงนะ่สมณพรามผู้เห็นผิดผู้ประพฤติผิดนะการเข้าไปบำรุงเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุทุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะ ไม่เป็นเพื่องต้นแหน่งปรมจันทร์ไม่เป็นไป พ, พร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายกลายกำนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพานอย่างนี้น ะ, อ, ะอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเราเชื่อใครหรือเราฟังคําของใครแล้วเรามีความคิดโดยแยกคายไหมว่าการสนับสนุนมีหลายแบบนะหลายลักษณะอย่างนี้อ่า น, นั้นเราก็แยกแยะ ก, ก, กันเองแต่อันนี้สมได้ไหมก็ได้นะแต่ได้ได้น้อยเพราะการให้กับเดรัจฉานก็ได้ให้กับคนทุศิลป์ก็ได้ให้กับคนมีศิลปก็ได้ ให้กับคนอปราศจากกรรก็ได้ให้กับคนเป็นอริยะก็ได้ได้ก็ได้ทั้งหมดอะแต่ได้น้อยมากต่างกันผู้เจ้าก็เรียงลําดับไว้ให้นะดังนั้นเราจะเห็นว่าผู้เจ้าแยบคายแต่เราเนี่ยไม่ได้คิดแยบคายอย่างผู้เจ้าใช่ไห ม, อมลองคิดในมุมอื่นอีกหลายๆมุมนะเราก็จะได้เห็นอแต่เรื่องแรกผิดตามว่าการขายของทั่วไปเช่นขายผลไม้ให้กับบุคคลที่นับถือ ศา ส, สนาอื่นถือเป็นการได้ลาบจากศาสนาอื่นหรือไม่การผิดเหมือนกับการรับเหมาหรือไม่มการขายเนี่ยก็เรื่องของการขายผู้เจ้าไม่ได้ท่านบอกในเรื่องการขายว่าไม่ล่อลวงนะไม่แสวงหาลาบอาเอาลาบต่อลาบไม่โกงด้วยตาช่างไม่ รวมด้วยของปลอมด้วยอะไรตลายอย่างนี้ลองไปดูมิจฉาอาชีวะของผู้ชายละกันละลองเอาไปเทียบเคียงนะเนื่องจากเป็นผู้ใหม่มากได้ฟังป้าจารย์มาพอสมควรเพิ่งได้ยินเรื่องดังกล่าวนะเราไปดูในเรื่องอนุตริยะหกประการนะอนุตริยะ6ประการเนี่ยนะมีทั้งฝั่งดีฝั่งไม่ดีนะการได้เห็นการได้ฟังการได ศรัทธาหรือการได้ราบได้ราบก็เป็นของปุริชนนะหรือคารวาทั่วไปแต่นักบวชก็เป็นการได้ศรัทธาการได้ศรัทธาแล้วก็ได้ใกล้ได้ไปศึกษานะได้ไปบำรุงเขาได้ไประลึกถึงเขานะนะแบบไม่ดีเป็นยังไงแบบดีเป็นยังไงเนี่ยพระศาสดาอธิบายไว้นะเราลองไปทงความแยบกายให้ดีกัน จากเชียงใหม่เวลาที่ผม <c oughs> ดูพ้าจารย์ต่อปัญหาธรรมจะมีความสุขมีปิติมากกว่าการอ่านมากกว่าฟังแับเสียงพระเหตุใด อ, อันนี้แล้วแต่นะี่แล้วแต่บางคนนะจากอยุทยานะผู้ถามเป็นผู้ใหม่สงสัยว่าพุทธวัติของผู้เจ้าที่มีอยู่ในหนังสือเรียนทั่วไปสมัยประถมกรมัธยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระองค์ประสรมาก็เดินได้เลย ไม่มีใครมาประกอบพเดือนกับตอนที่ถือโดยมีพญานาคมาบางฝนให้ตรงกับพุทธศานะหรือไม่ยอย่างไรลองไปเอาพุทธประวัติเฉพาะโอดฐ์นะที่ท่านพุทธทาสทำเอาไว้เนี่ยนะลองมาศึกษาดูจะได้คําตอบทั้งหมดนะจากแคลิฟอร์เนียการดื่มน้ำปัสสาวะเพื่อรักษาโรคนั้นมีในพุทธศาสนาหรือไม่นะ <c oughs> ก็พูดไว้2เรื่องเรื่องของยามหาวิกัดสี่นะนะก็คือ มูดคูดเท่าดินนะอุจลระปัสสวะที่เท่าดินเนี่ยให้พระอนุญาตให้พระเนี่ยหยิบกินได้เวล า, ามีอันตรายถึงกับชีวิตเนี่ยนะก็ไม่ต้องรอให้ใครมาถวายแล้วก็ในเรื่องของนิสัยสี่ข้อที่4ี่ก็คือถ้าไม่มียารักษาโรคอะไรก็ให้ฉันยาที่ดองด้วยน้ำปัสสวะได้นะ จากกรุงเทศมีการกล่าวถึงรักษาโรคในพุทธการหรือไม่อย่างไรมีอยู่นะอย่างผู้เจ้ า, าถ่ายไม่ออกนี่ก็หมอชีวกให้ดมนะดมยาแล้วก็ถ่ายยาถ่ายนะครับใช้ดมก็ถ่ายได้นะเห็นมะมีเทคโนโลยีหลายๆาอย่างมกันนะวิธีการปักหมุดทำอย่างไรเข้าตรงไหนหาไม่เจออ๋อจริงจริงไม่ยากนะ ก็เข้าไปในจริงๆแล้ว <c oughs> เข้าไปใน b u t รเน็ตคอมนะตัวนี้ก็ได้นะพอ เ, เข้าไปแล้วนี่ก็ไปที่ต้องใช้อีเมล password ของตัวเองเข้าไป แล้วก็เข้าไปที่สถานที่ของฉันในล่าสุด 1, 4 3 3งสถานที่นะจากตัวโลกนะสาประเทศแล้วเราก็ไปที่ตัวสถานที่ของฉันได้เนี่ยนะมันจ ะ, ะให้เรากรอกข้อมูลนะเพิ่มสถานที่ตรงนี้นะหรือใครที่เข้าไปใหม่หรือผู้เก่าก็จะเป็นเพิ่มสถานที่ตรงนี้แล้วก็นะพอกดเข้าไปเนี่ยก็ <c oughs> จะมี ข้มูลให้กรอกว่าชื่อสถานที่อะไรสถานะเป็นไรก็จะแบ่งเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกวาสิกาและเป็นองค์กรหรือเป็นบุคคลนะถ้าเป็นองค์กรก็เพิ่มตรงนี้ก็ความเกี่ยวข้องกับองค์กรน ะ, ะเป็นเจ้าขององค์กรไห้หรือผู้ชี้นาทิศทางหรือว่าส่วนหนึ่งขององค์กรเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะนะนะก็รัติจูดลองติจูดเนี่ยถ้าเราทราบ เราก็ใส่ไปได้เลยมันก็จะลงของบ้านเราให้แต่ถ้าไม่ทราบอย่าไปใส่นะให้มาร่างที่ตัวแผ่นที่อย่าลืมว่าให้ร่างที่ตัวแผ่นที่ด้วยตัวหมุดตรงนี้จะอยู่ตรงกลางอยู่ตลอดเวลานะเวลาเราเลื่อนแผ่นที่แล้วเนี่ยนะหมุดก็จะมาอยู่กลับมาอยู่ตรงกลางอีกนี่นะอย่าไปตกทะเลนะพยายามเลื่อนนะให้ตรงนะถ้าเราอยู่เช่นทางใต้นะเราก็ลงไปนะแล้วก็ถ้าเรารู้จังหวัด อำเภอต่างบนของเราก็พยายามนะสมมุติว่าเราอยู่ทุ่งสง์นะเราก็ไปที่อำเภอทุ่งสง์นะแล้วก็ค่อยๆขยายไปหาหาอำเภอทุ่งสง์ใช่ไหมอ่าแล้วก็เจอแล้วอำเภอทุ่งสง์นี่ใช่ก็เลื่อนให้มาอยู่ตรงกลางนะอ่ายแล้วก็ขยาเข้าไปอีกอย่างนี้อืมแล้วก็ขยายเข้าไปเรื่อยๆนืนีบ้านเราอยู่ตรงไหนเราก็ใส่เข้าไป นะนะก็ขยายไปขยายไปเรื่อยๆซนะูเนะราได้ที่และแต่เราต้องจําซอยบ้านเราให้ได้นะ ว, ว่าหน้าตามองจากท็อปวิวลงมาเนี่ยนะมีซอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอซอว่าเอาให้เห็นง่ายๆในในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะซูถนะนะ้าเรามาในกรุงเทพนะ ในกรุงเทพนะเราก็ขยายมาเรื่อยๆนะอ๋อซึเราอยู่ที่ไหนเราอยู่หมู่บ้านนี้นะเนะอ่าเราอยู่หมู่บ้านอะไรอมรอพันธนะ์1 2ซอยบ้านหลังที่เท่าไหร่อนะ่ของเราซอยเั้าไหมเลี้ยวมาบ้านหลังที่สองตรงตรงนี้ปุ๊บเราก็ปล่อยแันที่ไว้อย่างนี้แล้วเราก็มากดบันทึกตรงนี้ หมดมันก็จะลงให้แล้วนะส่วนใครอยากจะเติมข้อมูลอะไรเข้าไปเช่นจังหวัดประเทศนะกิจกรรมที่เราทำเนี่ยนะจัดกลุ่มฟังทำได้ไหมหรือจัดคอร์สไปปฏิบัติทำอยู่หรือเป็นที่แจกหรือไม่ได้ทำอะไรแต่แค่ศึกษาและปฏิบัติตามพุทธวจนะด้วยตนเองนะข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะใส่ก็ใส่ไปได้นะแล้วก็กดบันทึกนะตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วนะ หมดก็จะขึ้นอยู่ในแผ่นที่ทันทีนะแล้วเวล า, เ, าเราต้องการดูสมาชิกแต่ละคนนะเราก็กดที่สมาชิกนี้ได้นะกดที่สมาชิกนี้ก็จะมีตารางสรุปมาให้นะตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งไปเรื่อยๆนะหมายเลขที่หนึ่งไล่ไปสองสามสี่ เราจะกดแต่ละช่อง1 2 3 4อันนี้เป็นเมนูใหญ่ๆนะอย่างสุดท้ายที่29เ้ราก็กดนะส่วนี่ิ29กนะก็จะเป็นรหัส ถ, ถึงเท่าไหร่ละพันกว่า1 6นะ7นะอถึง 1,700 ละถึง 1, กว่านะแต่ละคนก็จะลงมานะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ นะประกอบอาชีพอะไรบ้างมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์นะอย่างนี้นะนี่ก็คร่าวๆให้ทราบเนาะถ้าใครต้องการลงพิกัดปักหมุดนะหรือเข้าไปในเว็บวัดนาปากพงก็ได้หรือเข้าไปในบุตรดาบุตรดาเน็ตนะเน็ตขีดตรงกลางเน็ต มีศั์บางสัพที่ยังไม่ได้แปลตอนนา้นพุทธุชนะมีเล่มไหนอธิบายต้องใช้พจนานุกรมของท่านปออประยุตโตหรือไม่นะลองเปิดนี่ไม่ใช่ข้างหนในโปรแกรมตัวนี้จะมีพจนานุกรมให้อยู่แล้วนะขวามือข้างล่างนะเราไปหาพจนานุกรมตัวนี้ก็ได้มีสองหมื่นกว่าคำนะก็ เยอะมากพอสมควรอยู่นะออของชวินสักคำนะของรองศาสตราจารย์ดรจำลองสะละพัฒนิกนะอันนี้ก็สัตว์ก็มากพอสมควรก็ค่อนข้างเยอะของทั้งประยุทธ์จะยังน้อยกว่าอันนี้มากนะสัตว์จะไม่ไม่เยอะเท่าอันนี้หรือของพันตรีป่าหลงสมบูรณ์นะอันนี้ก็ได้นะสองเล่ม น, นี้ก็ ดีอยู่นะมีศัพท์เยอะแต่บางทีก็มีข้อผิดอยู่บ้างเหมือนกันนะถ้าจะถูกต้องก็คือใช้พุทธเจนะมาอธิบายคำพุทธเจ้าด้วยกันเองน ะ, ะจากมาเลเซียมีผู้จงตีพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องงมงายยกตัวอย่างของการที่พระบิดกล่าวว่าจันทราคาสุริค้าตเกิดจากอสุรินทรลาหูผมก็ได้ใช้อีทายตรวจดูก็พบมีหนึ่งพระสูตร ก็กล่าวไว้อย่างนั้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามผมก็สงสัยว่านั้นไม่น่าจะเป็นคำพระศัสดา <c oughs> อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําตรงนี้ก็วางไว้ก่อนนะเพราะคําแต่งใหม่เนี่ยมันมีได้หลายแบบมากเลยแล้วมันก็มีไม่กี่พสัสดุ์เองมีแ <c> ค <oughs> ่หนึ่งหรือสองพสดุ์นะที่แทรกเข้ามาแปลกๆเราก็วางประเด็นตรงนี้ไว้เพราะในปัจจุบันเรายังเจออะไรอย่างของวัสินก็ก็แต่ง แต่งคําของตัวเองเองโดยที่ใช้วลีคําพูดพผู้เจ้าว่าดูก่อนอ น, นุนแล้วก็ตัวเองก็แต่งเองทั้งหมดนั้นในพระไตรปิฎกเป็นไปได้ไหมที่เขาจะสร้างเครดิตตัวเองด้วยการใช้ว่าดูก่อนพิสูงหลายแล้วก็แต่งเองเข้าไปก็เป็นได้ทั้งนั้นนะเราก็ต้องไปเทียบเคียงกับพระสูตรอืน่นว่ามีพระสูตรอื่นตัดบอกตรงนี้ไว้หรือไม่นะถ้าไม่มีเราก็วางประเด็นตรงนี้ไปก่อนนะหลักในการเทียบเคียงเนี่ยผู้เจ้าวางไว้ให้แล้วโดยไปเทียบเคียงกับ พระสูตรและพระวินัยอื่นๆนะถ้ายังไม่มีซ้ำหรือว่าไม่มีเหมือนกันเลยเนี่ยก็วางตรงนั้นไว้ก่อนยังไม่แน่นอนนะจากนนทบุรีนะฉบับปบภูมิหน้าล้อแปดเหตุให้เกิดเดรัจฉานนะคำว่าเนื้อหมายถึงอะไรส่วนใหญ่จะเป็นพวกกวางเก้งกวางนะพวกนี้คำว่าเนื้อนะ ก็แปลกันหลายสำนวนอยากทราบว่าทางกรุงเทพคำตามที่ตกหล่นจะได้คำตอบที่ไหนบางทีก็ติดตามต่อเช้าอาทิตย์ทั้งก่อนชั้นหลังชั้นไม่เจอนะกะ็บางทีอย่างคำถามในวันนี้ก็เยอะนี้ก็พยายามไล่ตอบในคํำวันเสาร์ที่แล้วให้หมดนะอ่ะ บริษัทภาคต้นและภาคปลายหาซื้อที่วัดนาป่าพงได้หรือไ ม, ม่สองเล่มรวมราคาเท่าไหร่ต้องถามที่มูนิธินะรู้สึกภาคต้นจะหาได้แต่ภาคปลายเรายังไม่ได้ทำนะเราทําแต่ขุมทรัพย์กับอลิษัทภาคต้นนะจากแคลิฟอร์เนียไลขอรายงานการแจกจ่ายหนังสือพุทธชนะฉบับเล่มเล็กสิบเล่มที่ทีมงานวัดนาป่าพงจัดส่งมาจากเมืองไทยทั้งหมด6ชุดเระผมได้แจกจ่ายไปตามห้องสมุด ของวัดต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาดังต่อไปนี้1วัดพุทธนิมิตเมืองพาซาดินานวัดพุทธปัญญาเมืองโพรโมนานวัดโพธิวารีรังสฤษเมืองมิดเดียวัดป่าธรรมชาติเมืองอาอาลาผนเต้วัดพุทธวิถีเมืองซันบอลเล่ส่วนอีกชุดหนึ่งกระผมเอาไว้ศึกษาเองครับซึ่งเป็นชุดที่ ได้ไม่ครบครับขาดเฉพาะเล่มหนึ่งตามรอยทมและเล่ม8 1. อินทร์สังวรนะจากมาเลเซีย อ, อานน์มาเลเซียน ะ, ะก่อนอื่นผมขอกราบขอบรพระคุณพระอาจารย์กิกฤทธิ์เป็นอย่างสูงผมได้ฟังธรรมะของพระศาสนาที่พระอาจารย์นำมาบรรยายณวัดเขากระเจียววันที่9มิถุนายน2533แต่ผมได้มาฟังครั้งแรก เมื่อวันที่12พฤษภา2555ันห้าร้อยห้า้าที่ YouTube, คำที่สะกิดใจมากที่สุดก็คือสิ่งที่เธอหวังได้คืออะไรทำให้ผมตาสว่างผมเดินทางผิดนานกว่า10ปีครับแต่วันนี้ผมได้ฟังพุทธวจนะที่พระอาจารย์นำมาบรรยายคือละนันทิมีความเริ่มสายอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีสินดีนี่คือสิ่งที่ผมต้องปฏิบัติครับ ขอขอบพระคุณทางเจ้าของร้านทันเทพพันธ์อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาที่ได้ให้หนังสือและซีดีผมนำหนังสือไปอ่านแปลเป็นภาษาจีนให้เพื่อนที่บริษัทฟังเพื่อเพื่อนเลิกไหวาสารเจ้าต่างๆและที่บ้านด้วยครับนะสุดท้ายนี้ผมขอขอบรคุณพระอาจารย์และคณะสงฆ์วัดนาปะพงทุกรูปและญาติธรรมทุกท่านที่มีการ ปฏิบุตรชาวินีตาจากอโณนครสวัสดีล้านทันเทพพันของใครเป็นลาน้นลานของโยมเหรออ๋อลฟออูฟีไยอ๋อพันงาจากสมุดสารคดตอนนี้คนไทยหรือคนประเทศไหนถือผีส่งเจ้าเข้าส่งนั้นมีอยู่มากบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไม่รู้ว่า มีมาจากไหนบ้างตีตั๋วเครื่องบินฟรีเข้ามาในประเทศไทยกันมากมายทุกประเทศอีกทั้งยังเจอพระที่มีมิจฉาทิฐิน ะ, ะเสียเองมีเสียท่าชาวไทยที่พยายามจะป้อนข้อมูลคงจะยากมิจฉาทิฐิเป็นเสียเองหรื อ, อยังไงนะอันนี้สะกดไม่ชัด คงจะยากบางคนยึดครูบาอาจารย์อย่างเหนียวแน่นผู้เขียนประสบด้วยตนเองจึงเข้าใจว่าเปลี่ยนยากจริงๆแม้คนใกล้ตัวอย่างพ่อแม่พี่น้องเป็นต้นในเน็ตนี่อย่างออกหน้าออกตาเลยทีเดียวให้นองว่าเป็นของนะว่าไม่เป็นที่พระสอนอผิดทำผิดศักยันไล่ผีปลุกเสกไล่มนต่างๆมองแล้วพูดไม่ออกอ คนไม่มีสินนั้นมากทำทุกอย่างเพื่อได้มาผิดหรือถูกไม่รู้ผู้เขียนได้ประสบด้วยตนเองแล้วเศร้าสงสารเขาเหล่านั้นที่ทำทางลงลบทำทางลงนรกโดยไม่รู้ตัวเองเลยคิดว่าตายแล้วจบหดหูจริงๆนะก็เป็นความเห็นส่งมานะก <c oughs> ็ไม่เป็นไรเระเอาตัวรอดก่อนนงะ จากอุตตรดิต์กลับเป็นพระอาจารย์พอเป็นไปได้ไหมครับว่าเราควรมีช่องทีวีพุทธศนะเพื่อเอผยแพร่คำสอนของตถาคตโดยส่วนเดียวฟรีทีวีเพราะต่างจังหวัดก็มีจานดาวเทียมเกือบทุกบ้านเป็นช่องทางที่เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางโดยจะเป็นประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเป็นจำนวนมากและอุบาสกอุบาสิกาก็พร้อมที่จะสนับสนุนพระอาจารย์ในการเผยแพร่คาสอนของตถาคต หลังธรรมสการพระอาจารย์ด้วยความกระลบยิ่งก็ถ้ามีก็ดีอยู่นะก็อยู่ที่เหตุปจัจจัยไม่รู้ว่ามันต้องอใช้อะไรยังไงนะต้องทำยังไงสร้างอะไรนะจงไม่มีความรู้ตรงนี้ต้องตั้งสถานีอะไรหรือเปล่าหรือไม่ต้องนี่เราก็เอาง่ายก่อนใช้เว็บไซต์เนี่ยง่ายไปพุทั่วโลกเหมือนกันนะคนมี t a b l e กันทุกคนก็สามารถดูได้ทุกคัวเรียนเหมือนกันนะอ่ กันนี้ก็ทมเท่าที่ทำได้ไปก่อนแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยพอที่ทำก็ทำนะจากอยุธยาขอโอกาสพระอาจารย์อีกครั้งเมื่อวันที่28กสิบกุมพาโยมมีโอกาสได้ดูถ่ายทอดสดจากตึกช้างโยมเห็นว่ามีภาพที่ดูแปลกตาไปจากเดิมทำให้โยมมีความรู้ความรู้อุดหนัดพระ ยมเห็นว่าจุดประสงค์ของพระอาจารย์คือการเผยแผ่พุทธวจนะยมเลยเห็นว่าเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยถ่ายทอดมาจะดูเหมาะสมกว่าน ะ, ะก็ยังไม่เคยได้เข้าไปดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะเป็นภาพยังไงบ้างนะก็ <c oughs> ก็ลองค่อยๆพิจารณาไปนะเดี๋ยวมีโอกาสจะลองเข้าไปดูดูว่าเป็นยังไงบ้างนะ ก็เสร็จแล้วคำถามข้างบนเสานะก็ตอบให้สั้นๆหน่อยเพราะว่าเวลาเลยมาเยอะนะก็มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมคงไม่มีอะไรเนาะนออรบกวนเรียนปรึกษาอีกนิดเดียวคะ่ะคือโยมปรารถนาจะทำหนังสือเป็นเป็นอักษรเดียวเพราะว่าอยากให้คนที่ด้ยโอกาสเช่นตาบอดด้วยแล้วก็หูหนวกด้วย ไม่ ส, มสามารถอ่านหนังสือและฟังซีดีได้อย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้เอจะเอกลับเรียนปรึกษาพระอาจารย์ว่าเราควรเริ่มต้นจากเล่มไหนคะแต่อาจจะเป็นธรรมที่ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเนะคะเป็นหนังสืออักษรเบลที่ที่คนตาบอดเขาอ่านเขาอ่านได้อะคะ่ <S <S ะก็น้ปฐมธรรมก็ดีเหมือนกันนะนะ้ำปฐมธรรมน ะ, ะใช่ใช่เพราะก็ะรวมธรรมะหลายๆอย่างไว้ไว้ในนั้นดีค่ะ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาถวายทานมารักษาศีลเรื่งสมาธิจเจริญภาวนาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเรามีความจเจริญก้าวหน้าในธรรมะของตถาคตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จบัพปนิพานในนาคตการหนึ่งใกล้โดยทุกกานทุกท่านทุกคนเตือน